ห้ามสองอย่างห้ามพูดคุยแม้ว่าเรื่องที่ชอบออชอบชอบชอบไม่ต้องนะเอาไว้ที่หลังสองห้ามนวดถ้าเมื่อยแล้วนะห้ามนวดนะครับบางคนนะพอเมื่อยแล้วก็จะชอบนวดช่วงบรรยายและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขอมาพี่น้องเพราะตอนละหมาดนี่พี่น้องได้ยินอาญาอิชายอยู่ใช่ไหม พอดีมสัสยิดเขาจะด่านช้าช้าหน่อยก็ยไม่ต้องห่วงนะครับละมาศนับมาตรงเวลานะครับต้องขอมาที่ตอนเข้ามาไม่ได้สลามทุกคนด้วยมือตัวเองนะครับก็หวังว่าหลังจากฟังบรญญาเสร็จแล้วอาจจะมีโอกาสสลามทุกคนนะครับเช่นเคยแน่นอนใครที่มีลูกก็ดูแลลูกด้วยนะครับ พอลูกอาจจะตกใจนิดนึงวันนี้มีคนเยอะปกติน้องๆเขาจะมาสบายๆคนน้อยเนี่ยก็สบายๆแต่วันนี้มีเยอะหน่อยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงการให้กำลังใจท่านนบีสุลต่านในสุรัยูนุสเป็นสูรัที่อัลลอห์เล่าเรื่องการ ปฏิเสธการตอบโต้ท่านนบีขบวนการของมุสริกีนในการปฏิเสธอัลกุรอานซึ่งเป็นเรื่องที่มีทุกยุคทุกสมัยถ้าเราได้เอามาเป็นอุทาหรณ์เราก็จะมีบทเรียนหลายเรื่องเพราะมันซ้ำรอยหลายเรื่องที่เกิดในอดีตมันก็เกิดในปัจจุบันเช่นเดียวกัน จึงต้องมีการให้กำลังใจกับท่านดุบิสุลลาะละฮ์อเลี้ยวสัลลัมที่ท่านได้ถูกปฏิเสธและเราได้บอกบอกพี่น้องว่าอัลลอ์ให้เรามายถงว่าประชาชาติของท่านนุบิสุลลาะละฮ์อเลี้ยวสัลลัมได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจท่านนุบิสุลลาะละฮ์อเลี้ยวสัลลัมตัวเราเองทุกคนทุกคน ที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการให้กําลังใจกับท่านนบีสุลตาน้องอะเลศัลและเราตัวยกตัวยกตัวอย่างในการให้กําลังใจกับท่านนบีหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือการแต่งงานและก็มีบุตรหลานที่มีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจกับท่านนบีสุลตาน้องอะเลศัลและการให้ ท่านนาบีได้ภูมิใจในประชาชาติอิสลามไม่ได้ภูมิใจในจํานวนคนที่ทําความชั่วอย่างแน่นอนแต่นบีจะต้องภูมิใจในคุณภาพของประชาชาติอิสลามที่มีความประพฤติที่สอดคล้องกับคําสั่งสอนของท่านโดยยกตัวอย่างเหมือนที่ท่านนาบีได้ภูมิใจในประชาชาติอิสลามที่มี ร่องรอยของการอาบน้ําละหมาดและละหมาดในวันเกี่ยมาท่านนบีจะรู้จักประชาชาติของท่านด้วยสัญลักษณ์ของการอาบน้ําละหมาดการให้กําลังใจท่านนบีสุลล่านในยุคนั้นหมายถึงว่าตอนที่ท่านนบีต้องเผชิญหน้ากับการปฏิเสธของมุสริกีนมันก็เป็นเนื้อหาที่อัลลอฮ์ได้ลงไวในอัลกุรอานเองเช่นในส ورة ยูนุสี แต่การที่เราได้นำมาอ่านมาศึกษามาตรายตรงและพยายามหาโจทย์ของอายันนี้หรืออายัต่างๆที่เรากำลังเรียนรู้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้กำลังใจที่อยู่ในสุรนีในอายันนี้ มันจะปรากฏทันทีเลยเช่นอะไรก็หนานี้ในสุราสุรจูนุสอะไรซีซีโบว์ว่าอมาน وري ยักษบางที่นั่งเดือดุ่มเอาหน้าทวียักษฟะอีเลนมา رج ิ่งหุ่มทุ่มมาแล้วชัยชนในทั้งสองกรณีกรณีนบีมีชีวิตต่อเราจะเห็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธา ต่อหน้าต่อตาท่านนาบีแล้วมันก็เกิดขึ้นในสงครามบัดรบุคคลดีรังแกท่านนาบีและท่านนาบีขอดูอาสาแช่งให้ได้พบความหายนะก็ได้พบกับความหายนะจริงหลายหลายคนในสงครามบัตรสงครามบุคและสงครามอื่นๆด้วยหรือถาท่านนาบีได้เสียชีวิตและยังไม่ได้เห็น ความอัยยศหรือความตกต่าของศัตรูที่ได้รังแกท่านนบีสุลต่านละหอละยู่สั่นเลมว่าอิมานตะฟยันนัหรือเราจะให้เจ้าตายเสียก่อนให้ท่านนบีเสียชีวิตก่อนแต่มันก็ไม่ดีหมายรวมว่าถ้าท่านนบีเสียชีวิตไปก่อนแสดงว่าท่านนบีจะไม่มีกำลังใจและนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับพวกเราทุกคน ผู้ศรัทธานี่จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตย่อมมีกำลังใจเพียงพออยู่แล้ ว, วมิติของชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีชีวิตที่กำลังสัมผัสอยู่ในขณะนี้ตามความศรัทธาของเราว่าปารโลกคือชีวิตที่แท้จริงอินนั ด, ดาร์ัลอาฮีร์ตะลาฮียาลฮยาวานูโนคานลูยาลมู แต่แท้จริงบ้านสุดท้ายอันดับบ้านอันสุดท้ายแลฮียลไฮยวนุโดยแน่นอนนั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์หรือชีวิตที่แท้จริงไฮยวนเนี่ยเป็นพหุพจนของไฮย์ไฮยวนคือบรรดาชีวิตที่แท้จริงนี่นอยู่ที่บ้านสุดท้ายแม้นะบีเสียชีวิตไปแล้ว ข้อผูกพันระหว่างเรากับท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมในการที่จะให้กําลังใจท่านนบีมันก็ยังคงมีอยู่เราก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการสละวาตท่านนบีเนี่ยที่เราเอ่ยท่านนบีทุกครั้งแล้วก็สละวัตถึงท่านซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมแล้วใช่เป็นกําลังใจที่มหาศาลสำหรับท่านนบีเพราะท่านนบีเองบอกว่าทุกคนที่สละวาตต่อท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมท่านนบีก็จะตอบรับสละวัตรตอบรับสละ แต่ข้อแท้จริงของการตอบรับสลามเราซอลลัลวะจะเป็นยังไงอันนี้มันมันคนละชีวิตคนและมิติเราไม่ต้องไปจินตนาการถึงขนาดบางรายงานฮะดีสบอกว่าท่านนาบีสุลลัลละเลวซัลลัมจะรู้ทุกคนหมายถึงว่าโดยรายบุคคลที่ซอลลัลวะต่อท่านนาบีสุลลัลละเลวซัลลัมว่าคนนัน้นนายเป็นใครบางรายงานบอกว่ามาลลย์การี่จะเ อ, อ่ยนามเ อ, อ่ยชื่อ เขาแลบิดาของก็คนนี้บุตรคนนี้บุตรคนนี้เขาสละวและสลววะท่านนะครับท่านนบีบางรายงานที่บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ท่านนบีได้มีวิญญาณชีวิตในช่วงที่ท่านนบีจะตอบรับสละวมุสละวะต่อท่านสุลต่านละอุสลาและจะไม่มีกําลังใจได้ไๆแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้ท่านนบี ท่านน บ, บีตอนมีชีวิตเนี่ยได้เห็นคนที่สละลามและสละวะท่านน บ, บีเฉพาะในมักกะหรือมาดินาหรือในเมืองทีอ่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับแต่ถ้าท่านน บ, บีเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังได้รับรู้การสละวะต่อท่านจากประชาชนของท่านทุกมุมในโลกนี้มีแค่สละาวะต่อท่านน บ, บีย่อมเป็นกําลังใจให้ท่านน บ, บีสุลต่าละวะอะลัยอัลสลัม และสอดคล้องกับคำสัญญามั่นของท่านนาบีที่บอกกับประชาชาิว่าอิสลามนี้จะถึงทุกซอกทุกมุมในโลกนี้ที่มีกังวันและกลงคืนมีกังวันและกลางคืนที่ไหนในโลกนี้เนี่ยก็จะมีผู้ศรัทธาและจะประสาอะไรกับการที่ไม่ใช่สลวั น, นาบีอย่างเดียวเราจะเอาคำพีของท่านมาศึกษาไตรตรงให้เหนือเต้าเหนือกร ม, ม่อม เป็นทางนำในชีวิตของเราเป็นบรรทัดฐานในการให้เราคิดให้ถูกทำให้ถูกหมายถึงว่าจะสแสวงหาความถูกต้องด้านความคิดด้านปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเอากุรานี้มาเป็นบรรทัดฐานมันจะมีอะไรเหนือกว่าที่ท่านนาบีได้ทำงานตลอดชีวิตนี้เพื่อให้ประชาชนอิสลามเนี่ยมีตัวนี้มีตัวนี้ การที่เราได้เอาอกุรานเนี่ยมาเป็นมาตรฐานปรับความคิดทุกส่วนทุกภาคส่วนทุกทุกชนิดความคิดของเราเนี่ยให้มันถูกต้องสอดคล้องกับคําสั่งสอนที่อยู่ในกุรานเนี่ยและให้ข้อปฏิบั ต, ติต่างๆของเราเนี่มันก็สอดคล้องกับคําสั่งสอนที่เราเรียนนั่นคือสิ่งที่นบีทํางานตลอดชีวิตนี่และนบีประสบความสําเร็จได้เปลี่ยนแปลงสังคม ยุคจะเฮลิแอนี่เปี่ยนอย่างสิ้นเชิงถึงเราสามารถบอกได้ว่าตัวท่านนบีสุลต่านละอิยาเซลลัมนอกจากว่าตำแหน่งของความเป็นนบีนบีเป็นนบีบรซูลนบีและบรซูลในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมีหน้าที่เดียวทําหน้าที่ที่อัลลอฮ์มอบไห้ไม่ได้เป็นครู เพราะหน้าที่ของครูนี่คือสอนอย่างเดียวไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นการนักนักการปกครองเพราะนักการปกครองนี่มีหน้าที่เอากฎหมายบังคับใช้แต่จะมีเป็นนักเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงนี่นอกจากว่าจะสอนสอนด้วยแล้วจะต้องให้คนที่รับคําสอนเนี่ยฟังคําสอนเนี่ยน้อมรับเนื้อหาของคําสอน เลื่อมใสในคำสอนและเอามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองถ้าเกิดขึ้นแลน้วนี่นี่คือการเปลี่ยนแปลงและนี่คือผลงานของนักเปลี่ยนแปลงและเครื่องมือของน บ, บีใ น, นในการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือคุรานอ้พี่อิเลกะฮะดัลุรานุลีอันซิรักุมบฮแสดงว่าพี่จะได้เตือนเตือนเท่าด้วยกุรานบีใน ช่วงแรกของหนังสืออาริซาละอาริซาละซึ่งหนังสือฉบับแรกหรือหนังสือเล่มแรกที่เขียนในเรื่องว่าด้วยวิชาอ h, ุสูลอัลฟิกโดยอิมามมุฮัมมัดอิบนาอิดริสอัลชัฟ่ายวิชาตีความตีความตัวบทตีความอุษุนตีความฮะดิษ เข้าใจกุรานยังไงเข้าใจฮะดีเซิงท่านตั้งชื่อหนังสือของท่านนี่อาริซาละบางอะไงานบอกว่าริซาล่ะนี่เราจดหมายบางอะไรางานบอกว่าตั้งชื่อหนังสื อ, อท่านเนี้ยว่าริซาละจดหมายเพราะมีคนมาถามว่าท่านจะเข้าใจกุรานฮะดีเซิงไงถ้ามีคุรานกับฮะดีเซิงมันไม่ตรงกันมันขัดแย้งกันท่านอิบราชวีก็เลยเขียนจดหมายอธิบายจดหมายกลายเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง ก็เลยตั้งชื่ออาริซาละแต่บางที่บอกว่าไม่ใช่อาริซาลานี่หมายถึงว่าความหมายของคําว่าอริซาล่านี่ก็คือสารอาริซาละสารและสารนี่ก็คือคาสั่งสอนม้ว่าจะในรูปแบบกุรอานรูปแบบขะดีษของท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัล จะเข้าใจสารที่มาจากพระเจ้าอย่างไรอาริซาลช่วงแรกของหนังสืออริซาลนีท่านได้พูดถึงอายะนี้อายะที่ผมได้เอ่ยเมื่อสักครู่เนี่ยุ um ุ u n z i r a k u m bihi wa m a ข้าได้รับอัลกุรอานว่าฮยวจะได้เตือนพวกเจ้าท่านได้ถือว่าสารที่มาจากอัลลอ์เนี่ยมีเนื้อหาเป็นข้อเตือนในกุรอานนะ และทุกอายะเลยมีเนื้อหาอันเป็นข้อเตือนทุกอายะเลยซึ่งข้อเตือนนี้มีอยู่สองเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นจะได้ถือว่าทุกคนที่ได้ยินสารที่มาจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อเน่นสารนี้ต้องถึงเราหมายถึงว่าเราต้องฟังต้องต้องได้ยิน อายะนี้รับรู้ยังรับรู้อย่างเดียวไม่พอพอรับรู้แล้วนี่ต้องเข้าใจนั่นหมายรู้ว่าถ้ารับรู้แล้วนี่อันแรกนี่เขาเรียกว่าบุลูกริซาล่การที่บรรลุถึงตัวบทถ้าบรรลุถึงตัวบทรับรู้ตัวบทแล้วอันนี้เงื่อนไขแรกในการที่เราจะได้ข้อเตือนแต่ยังไม่พอ สองฟังมรรยาละปลูกมรรยาละลก็ฟังมรรยาฟังมรรยาเข้าใจเข้าใจตัวบทและความเข้าใจตัวบทนี่สําหรับคนในยุคนี้ก็เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดการที่จะถึงเข้าถึงตัวบทนี่อันนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเป็นปัญหาละ ตะกออาจจะมีอาจจะเป็นปัญหาแม้กระทั่งในบรรดาสาวกของท่านนาบีบางคนนี่ก็อาจจะไม่ได้ยินคุรานบางอายะฮ์ฮานิษบางบทนี่อาจจะไม่รู้เลยระดับสาวกอวุโสด้วยฮานิษบางบทไม่ไม่รู้ของท่านนาบีเขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้อยู่ตลอดเวลากับท่านนาบีอนี้ปัจจุบันนี่อย่างที่เคยบอกว่าเรานี่ได้เปรียบ มากกว่าซาฮบะมากเลยเรื่องเรื่องเรื่องถึงตัวบทเทคโนโลยีมันทําให้เราสามารถศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงตัวบทยิ่งกว่าซาฮบะในยุคก่อนแต่เราเสียเปรียบเรื่องหนึ่งอาซาฮบะในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นคนอาหรับเข้าใจภาษาโดยบริยายเนี่ยเครื่องมือในการที่จะ เข้าใจตัวบทเข้าใจคําสั่งสอนเข้าใจคุรานเข้าใจฮัดีิเน่เขาแทบไม่ต้องเรียนเลยไม่ต้องศึกษาเลยตรงนี้นเราเสียเปรียบเราจึงต้องใช้เวลาในการที่จะเข้าใจตัวบทถึงจะได้ได้ถึงตัวบทและเข้าใจตัวบทแล้วอันนี้มันไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้ถือว่าเราได้ได้มีภารกิจ ในการที่จนนำตัวบทนี้ไปสู่การปฏิบัติอันนี้ถึงตัวบทและเข้าใจตัวบทนี้อิหม่ามชเวียเรียกว่าอันนิดาระอันนิดาระข้อเตือนได้ละข้อเตือนได้ละรู้ละว่าต้องเลิกต้องต้องไม่กินเหล้ารู้ละเข้าใจเมื่อเข้าใจเข้าใจว่าว่าทำไมกุตลานห้ามดื่มเหล้าห้าม ห้ามไปยุ่งกับสิ่งที่มันทําลายสมองทำทำลายสติปัญญาเข้าใจล้วอันนี้อันนี้ถือว่านิรารณนีเข้าใจละจะไม่เหมือนคนที่ยังไม่รู้มีอายคุณอ่านห้ามกินเหล้าแต่เขายังไม่รู้เฮ้ยเนะี่ยคุณอ่านห้ามกินเหล้าเลยเขายังไม่รู้ช่วงที่เขากินเหล้าโดยที่ยังไม่รู้วันเป็นข้อห้ามใน伊斯兰เลยเขายังไม่บากเพราะเขายังไม่รู้เทียบไปเลยทุกเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละ แต่ในเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติปัญหาปัญหาใหญ่นี่อยู่ที่เรื่องปฏิบัติอัลม oh ูบิละตุลกุบรอปัญหาใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติจะทาอย่งางไรให้ข้อเตือนในคุรานและหะดีสเนี่ย เข้าสู่วาระการปฏิบัติในชีวิตของเราคำตอบนี้มันจะอยู่ในสองสามอยานี้แล้วก็โซรั์ยูนิสเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้ผมก็เคยเออถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้กุญแจของปัญหานี้อยู่ที่เรื่องเดียว เรื่องปฏิบัติเนี่ยเรื่องปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนเนี่ยทำไมมันเป็นปัญหาล่ะเพราะทุกคําสอนที่มีอยู่ในคุร า, านละนี่สิจมีมีไว้มีไว้ปกป้องมนุษย์น่ยมีไว้แก้ปัญหาของมนุษย์ให้มนุษย์ดีขึ้นการที่เราชักช้าในการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระเจ้านี่มันก็คือความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาเหมือนคนที่ป่วย มีโรคประจําตัวหลายโรคถ้ามีใครไปถามว่าบางป่วยไม่มีโรคนู้นมีโรคนี้บอก็ปล่าไม่มีเลยแล้วบางตัวยังยังไม่ตรวจเขาสามารถยืนเนียนว่าเขาไม่มีโรคเพราะเขายังไม่มีใครแจ้งนมว่าเขาคงมีโรคแต่ความบกพร่องอยู่กับตัวเขาเองว่าเขาไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมศึกษาไงไม่ยอมศึกษาไม่ยอมเข้าใจไงว่าปัญหามันเนี่ยแต่ถ้าเขารู้แล้ว รู้แล้วรู้ว่ามีโรคประจําตัวแล้วนี่มันก็ยังมีปัญหาใหญ่ในการที่จะยอมรักษามีคนรู้ว่าป่วยแต่ไม่ยอมรักษาใช่ไหมมีคนรู้นี่ว่าวาบุหรีนี่ทําให้ตัวเองเป็นมะเร็งดื่มเหล้าทําให้ตับแข็งเสพยาเสพจิตนี่ทําให้เซลล์สมองไหมไปหมดรู้แต่ก็ยังดื้อดึงกับตัวเองอังนี้คือปัญหาของปฏิบัติ เราจะได้เข้าใจปัญหานี้มากขึ้นจะได้จะได้ถึงโจทย์ที่ที่ผมกำลังอธิบายแล้วเดี๋ยวจะจะเฉลยตอนอา่านอ่านอายะ 2-3 อายะของวันที่เนี่ยใครบอกกับพี่น้องว่าการที่เราอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้สัจธรรมเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะเอาปบะวิงเวลาให้เรา สมมุติว่าเรายังไม่ได้รับอิสลามยังไม่ได้ศรัทธาต่อพระเจ้าเนื่องจากว่าเดิมในเราไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมไม่รู้ศัจธรรมอยู่ที่ไหนเราก็พยายามศึกษาอยู่ศึกษาหมดแหละนี่กรณีที่เรายังไม่ได้ศึกษาอิสลามเพราะยังไม่มีใครเอาอิสลามมาให้เราเลยนี่ยอันนี้ยิงแล้วอีกนในหมายที่ว่าอัลลอฮ์ก็ยังตะวิงเวลาแล้วถ้าเราเสียชีวิต ในขณะที่ไม่เคยได้ยินอิสลามเลยอ่ะนะมันก็เป็นโอรสเป็นเหตุผลที่อัลลออาจจะให้อภัยโทษก็ได้เป็นไปได้แต่นี่นี่ผมุ่ในกรณีทีเ่เรารับรู้อิสลามแล้วนะแต่ยังไม่เข้าใจขอเวลาศึกษาหน่อยเพราะมีคนมาเสนออะไรหลายอย่างหลายศาสนาหลายลัทธิเยอ ะ, ะแยะไปหมดและเนี่องจากว่าพื้นฐานเราไม่มีใช่เราก็ยังไม่ ยังไม่แน่ใจว่าอันไหนที่ใช่อันไหนที่ไม่ใช่ก็ศึกษาอยู่นะกําลังศึกษาอยู่แต่นี้ด้วยความจริงใจนะศึกษาด้วยความจริงใจเน่ยไม่ฉีรังเลนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยอิสลามนี่มันข้อห้ามมันเยอะนะอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็ศึกษาเรื่องของนออิสลามไม่ใช่เขาเขาศึกษาจริงๆแล้วก็ขอเวลาจริงๆเขาไม่ไม่ได้รังเลในการที่จะรับสัจธรรมเขาจะมีคําตอบแน่นอนในเรื่องนี้ในวันเกียรมาเพราะก็รู้เสียชีวิตตอนนั้นเลยเสียชีวิตตอนนั้นเลย ยังไม่ได้รับอิสลามนะการที่เขายังยังใช้เวลาในการศึกษาเพราะเขาไม่ได้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเขาเปิดหัวใจของเขาแล้วที่จะรับสัตธรรมแต่เขาเขาขอเวลาในการที่ศึกษายืนยันในศัตธรรมมั่นจะได้มั่นใจในสัตธรรมถึงแม้ว่าตอนหน้าสายตาเขาเสียชีวิตในฐานะตอนหน้าสายตาของมนุษย์คนอื่นเนี่ยเสียชีวิตในฐานะที่ไม่ใช่มุสลิมนะแต่หน้าอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาไม่ใช่ เขาจะเสียชีวิตเหมือนอันลลุฟัตระอานุลฟัตระนี่คือคนที่เกิดในยุคระหว่างนาบีสองคนไม่ทันนบีคนคนก่อนแล้วก็ไม่ได้ทันนบีที่มาที่หลังไม่ไม่ทันก็เลยไม่ได้รับรู้สัจธรรมอยู่เนยเสียชีวิตตอนนั้นเลยก็เดก อ, อัลลุฟัตระอัลลอฮฺจะไม่ลงโทษเขาอย่างกระทันหันในวันเกียร ม, นะมานะมันจะต้องมีต้องมีข้อสอบเข้าข้อสอบมีสัมภาษณ์ 우ณคุณน์มุ่งิบีน์ حتى หน้า بعث รัศวุลเราจะไม่ลงโทษใครเลยนอกจากว่าต้องมีรัศวุลหรือสารของรัศวุลเนี่ยไปถึงเขาไปถึงคนคนนั้นถึงจะลงโทษช่วงที่เรากําลังศึกษาเรียนรู้นี่นะเนี่ที่ Allah ประวิงเวลาให้นะไม่ถือว่าเวลานี่มันมันสูญเสียนะเวลานี้ยังเป็นกําไร หมายถึงว่าอัลลอฮฺวันเกียร์มะนี่จะไม่ตำหนิว่าเอ้ยจะไปเสียเวลาอะไรทำไมไม่รีบรับอิสลามบางครั้งนี่เราด้วยความเป็นห่วงพี่น้องที่อยากจะรับอิสลามนะเรานิกว่าการที่คนรับอิสลามเนี่ยเราจะได้ผลบุญของการรับอิสลามของเขา อย่างแน่นอนซึ่งมันมันไม่สม่ำเสมอไม่ไม่สม่เสมอไงคนที่ศรัทธาเนี่ยถ้าเราถ้าเราเป็นสายเหญ่ถ้าไมเขาศรัทธาจริงๆนะนแน่นอนเราจะรับผ ล, ลบุญแต่ถ้าเขาไม่ได้ศรัทธาแต่เขารับอิสลามเพราะเขาเกงใจเราเอ้าพี่พี่รู้แล้วใช่ั้ยว่าว่าอัลล์มีองค์เดียว อันนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนาู้ๆลอัพี่รอิสลามเลยอันดีดีกว่าตายไม่ได้เป็นมุสลิมเดี๋ยวติดเข้านรกนะเราจะได้นับคะแนนได้หนึ่งแต่บรากัว่าตอนนั้นนะนะเขาอยากจะรับอิสลามแต่เขายังยังไม่เต็มที่ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้ศรัทธาเต็มที่คนไทยเรานี่ขี้เก่งใจครับอิสลามอบีรับอิสลามชาชัลลาลา ฉันรับอิสลามแล้วอีกสักพักหนึ่งไอ้จุดที่เขายังไม่ได้คําตอบนี่ก็ยังไม่มีใครให้คําตอบมารับนี่เดียวนะครับอยู่ในอิสลามนี่เดียวนะก็ออกละคนที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยไม่มั่นคงในอิสลามนะเขาอาจจะเป็นสาเหตุเป็นส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบ รับผิดชอบความไม่มั่นคงในด้านสถานของเขาก็ได้และการรับอิสลามของเขาเนี่จะถือว่าเป็นการรับอิสลามที่อัลลอ์ไม่ถือว่าบริสุทธิ์นะเลาถือว่าไม่บริสุทธิ์นะแล้วจะเป็นบาปเพราะการรับอิสลามแล้วก็ออกนอกอิสามมุตัดนี่นะเป็นบาปใหญ่หลวงไปอีก แต่ไม่ได้รับอิสลามแต่เขายังมีอยู่ในเวลาที่กําลังศึกษาอย่างนี้ในเวลายังเป็นกําไรสําหรับเขานะยังไม่สูญหายเลยนะยังไม่สูญเสียเลยเช่นเดียวกันเรากําลังทั้งบาปชนิดหนึ่งสมมุติเรากําลังทำบาปหยางการทำบาปทําให้เรานีไม่สบายใจแน่นอนอันนี้อันนี้พูดถึงมุสลิมแล้วนะมุสลิมสมบูรณ์แล้วนะ การที่เรากำลังกำลังทําบาปอยู่เรารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเป็นบาปเนี่ยการเลิกบาปเนี่ยเลิกทําครั้งเดียวดีไหมก็ดีแต่มันเพียงพอไหมให้ถือว่าเราได้เติบบัดตัวมันอาจจะไม่พอเพราะถ้าเราเลิกครั้งเดียวนี่มาดูอ่คราวนี้ไม่เอาละไม่เอา ทำไมไม่เอาขี้เกียจก็ดีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาชวนไปทำไปทาบาปแล้วก็อง์ประกอบทุกอย่างที่ทำบาปนี้มันครบหมดแต่เราไม่ทำเพราะอะไรเพราะขี้เกียจดีขอให้ขี้เกียจทุกครั้งแล้วกันแต่มันจะไม่เป็นผลนะ่ะชีวิตของเราจะไม่มีคุณภาพเลยพอถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยเราไม่ขี้เกียจละแอคทีฟหน่อยกระตือรือร้นหน่อย ไ ป, ไปมาเลยและแทนนี่จะทำบาบทีเดียวนะมันมีกบอด้วยนะเอาของเก่าด้วยที่ไม่เคยทำที่ตอนขี้เกียจเอามาเอาให้เต็มที่เลยมาชดในเรื่องเตาบักตัวนี่แม้ว่าจะมีกระบวนการที่มีหลายคนช่วยให้เราได้ ทำให้เตบักรตัวการเตบักตัวเกิดขึ้นกับตัวเราหรือกระบวนการเตบักตัวนี้มันเกิดกับตัวเราโดยที่ไม่มีใครช่วยเลยการที่เราใช้เวลาในการที่จะสร้างความมั่นคงของการเตบัตการเลิกบาปอย่างสิ้นเชิงเนี่ยกับการที่เลิกบาปแบบเล่นๆการเลิกบาปแบบเล่นๆเนี่ยนะมันอาจจะอันตรายกว่าตัวบาปที่เราทําอยู่ก็ได้ เลิกบาปเลิกบาปเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราทําบาปเลิกบาปเพราะาไม่อยากถูกมองว่าเราทําบาปนี้เลิกบาปเพราะเอ่อรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยบาปนี้มันไม่ดีสําหรับเราเรากำลังออกกำลังกายกำลังกำลังจะฟิตอยู่ไอ้ทำบาปแบบนี้มันไม่ดีอ คนคนเลิกสูบบุหรี่ไอ้สูบบุหรี่ตอนนี้ไม่ดีกำลังกำลังซ้อมอยู่กาลังซ้อมขอชเขบอกว่าสูบบุหรี่ไม่ได้ต้องเลิกหลายอย่างที่ทำให้เราได้ประวิงเวลามันอาจจะเป็นผลให้เราได้สูญเสียมากกว่าเหมือนคนที่ประวิงเวลา ในการที่จะรับอิสลามรับศาสนาธรรมทั้งนั้นที่เขารู้ว่าศาสนาอิสลามนี่ศาสนาธรรมสมบูรณ์แล้วทุกอย่างนี่เขาเข้าใจอย่างดีแล้วเนี่ยแต่เขายังยังลังเลอยู่เช่นเดียวกันคนที่รู้อ่ะนี่อันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นเรื่องความชั่วต้องเลิกต้องต้องปรับปรุงตัวเองต้องแก้ไขตัวเองแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมเลิกแล้วก็พยายามประวิงเวลาแล้วเมื่อไหร่จะต้องบัดกรัวละเธอเมื่อไหร่จะคุ้มียางดูค่อยๆไปทําอุปนิสัยไปทําหัดก่อน ค่ยว่ากันเดยค่ยค่อยเข้าค่าก่อนเข้าค่ายบอดีตก่อนกิจกรรมบดอดีตนี่เขาว่าเขาว่าใช้ได้นะบดอดีตตอนนั้นก็ตอนนั้นเลยคําไหนก็คํานั้นเลยไม่จริงนะนี่ที่ข่า่นี่กิจกรรมบดอดีตนี่เขาบอกไหมว่ามันไม่ใช่กิจกรรมศักดิ์สิทธิ์เขาบอกไหมบอกว่า ไม่ได้บอกอ่ะต้องบอกดิกิจกรรมบดอดีนี้ไม่มีใครไปปลุกเสกนะว่าเธอจะผ่านกิจกรรมบดอดีเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยจะไม่ทําบาปนะไม่มีใครมันแค่ตัวช่วยการที่จะปลดอดีนี้มันอยู่ที่ตัวเราตลอดไปเวลานี่คือตัวช่วยสําคัญ เรื่องเป็นแปลงเรื่องเวลาแล้วเวลานี่ถ้าหากว่าคนที่บริสุทธิ์กับตัวเองบริสุทธิ์กับพระเจ้านี่นะศาสนาจะไม่เร่งนะศาสนาจะไม่เร่งแต่ศาสนานี่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของเวลาและทั้งตัวเองเคลียรกับตัวเองแล้วเนี่ยรู้ความถูกต้องนี้มันอยู่ตรงไหนี่อย่าลังเลแล้วนะอย่าชักช้านะเพราะชักช้าเนี่ยมันจะเสียหาย แต่ถ้าไม่ชักชยังอยู่ระหว่างการศึกษายังอยู่ระหว่างการไตรตรองกาลังปรับกับปรับตัวตัวเองอะนะศาษณาจะไม่เร่งนะเต็มที่เลยเอาให้ sure เอาให้แน่เรียนรู้ฝึกฝนศึกษาทำหน้าที่ในการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระเจ้าให้ดีที่สุดแล้วจะไม่ถือว่าขาดทุน แต่ทุกคนนี่ลับอกมันลป็อนนินสคนของรั้เู้ตัวดีรู้ตัวเองอย่างดีรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะไรอะไรเป็นอะไรนี่ทุกคนเียรู้ปัญหาของคนที่ปฏิเสธที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยว่าเขาน่กว่า ชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเขาทำอะไรก็ได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการที่เขาจะปรับปรุงตัวเองจะรับศัลธรรมจะนอบน้อมต่อคำสั่งสอนของพระเจ้านี่อันนี้ถือว่าเป็นอภิสิทธิ์ของของเขาเองเหมือนมุสลิมหลายคนที่เขาใจอย่างนั้นเนี่ยเขาใจว่าการนี้จะทำความดีามทาความดีหรือความชั่วเนี่ยมันเป็นทางเลือก รวมถึงเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นนะนะการนี่จะปกป้องอิสลามการนี่จะต่อสู้เพื่ออิสลามนี่มันเป็นทางเลือกทำก็ได้ไม่ต้งทำก็ได้ถึงขนาดที่บางเรื่องที่มันเป็นภารกิจของประชาชาิอิสลามโดยรวมนะแล้วก็ปักเรื่องออกในเข้าใจว่าเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องของคนเฉพาะบางคนการทาหน้าที่ดาว่าการทำหน้าที่เผยแพร่ อ, อิสลามการทำหน้าที่ คลื่อนไหเพื่ออิสลามนี่นะอนีเป็นหน้าที่ของผู้รู้เขานักเคลื่อนไหวผมนี่เป็นชาวด้าชาวบ้านธรรมดาธรรมดาผมไม่มีความสามารถผมจะไปเคลื่อนไหวจะไปทําอะไรเพื่ออิสลามอ่ะเรื่อนี้ให้ต๊ะครูให้คนคนอืน่นที่เขามีความรู้ให้เขาทํางานแต่เรานี่เราละมาด้าว่าตักับบุญแล้วบุญแล้ว โอ้จะมาบอกให้ฉันตรงเลิ ก, ล ก, เลกนู่นเลิกนี่นี่ผมผมเป็นเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาผมไม่ใช่เป็นคนเคร่งแทนที่จะเป็นข้อตำหน่ิคนไม่เคร่งกันะคนไม่เคร่งนี่ก็คือคนที่ไม่ไม่ยึดมั่นในหลักการใช่ไหมไม่มันกลายเป็นข้ออ้างไม่เคร่งเฮ้ยบงังบางคนนั้นนะ่ะมันไม่กินเหล้าเธอไมมึงมึงกินเหล้าอะ่ะอ๋อคือผมประเภทไม่เคร่ง แต่คนนั้นน่ะดันมันเข่งน่ะแต่ไอ้เรานี่ไม่เข่งอันนี้เป็นใครเป็นข้ออ้างและไอ้ทอีคนที่เข่งนี่นั่นน่ะมันเลยเถิดมันเกินนะ่ะมันมันเข่งเหมือนคาว่ามากรธแทนที่จะเป็นคําศัพท์ด้านนิติศาสตร์อิสลามที่จะห้ามที่จะปราบไม่ทำเพราะคาว่ามากรธเป็ว่าน่าเกลียดใครอย่าทำอย่างนี้เอ้ยทำได้ทําได้อะ ทำได้สิทำไมอ่ะพมันแค่มะกรอไอ้มะกรอนี่มันจะได้มึงไม่ทำไม่ใช่ไม่ใช่เอามาอ้างให้ทำเวลาเมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงโอ้อีกนั้นฉันอายุฉันยังแค่สิบห้าสิบหกสิบเก้ายี่สิบสามสิบยังแค่สี่สิบยังไม่กเกษียณเรื่อยเวลากลายเป็นข้ออ้าง แล้วอาการมันจะสาหัสมากกว่านั้นถ้าหากว่าเราเยอะเย้ยย่อเย้ยต่อเวลาจะไปรีบทำไมอ่ะรีบละหมาททำไมรีบไววเขาทำไมทำไมจะเลิกรู้จักกับผู้หญิงรู้จักทำไมเลิกมีแฟนทำไมโอ้ชีวิตของเรายังอีกเยอะนะอีกทำไปก่อน ทำให้คนดโดูดค่อยค่อยว่ากันแต่พอนี่กล้าจริงๆเนี่ยค่อยว่ากันเยอะเย้ยเวลานี่คือสิ่งที่พวกมุสริกีนเนี่ยเขาทากับท่านนบีสุลลัลลอฮ์วะลาฮูอะซซัวกูลมะตาฮดลวูอิงกุตุมซอกีนเขเย้ยท่านนบีงและพวกเขาจะกล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้สัญญาที่ท่านนบีบอกว่า เดี๋ยววันเกียรมาจะมานะเดี๋ยวความตายจะมาแล้วนะ่าเดี๋ยวกันลงโทษจะมาอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวบทลงโทษเจ้าเราจะลงโทษทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านี่มันต้องมาอย่างแน่นอนนะเขาจะเยะ้ยท่านนพีคือแทนที่จะกลับมาพิจารณาว่าเออเวลาคือต้นทุนเราต้องมาศึกษาให้ดีก่อนแล้วอย่าให้อิสระภาพที่เรามีอยู่เนี่ยมันมา ลวงชีวิตของเราเขาเยอยบอกว่าเมื่อไรเล่าสัญญาณนี้ที่ท่านนาบีมูฮัตบอกจะเราวันนี่เนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะลงโทษนะเดี๋ยววันเกียร์มาจะมาแล้วนะเดี๋ยวความตายจะมาแล้วนะเมื่อไหรมันจะปรากฏสักทีหากพวกท่านสักจริงดูสิหรือเขาบอกกับท่านนาบีถ้าท่านนาบีสักจริงนะนะที่บอกว่าจะลงโทษเดี๋ยวสัญญาณจะมาดู วันเกียรมาจะมาความตายจะมาการลงโทษจะมาโมกิจาามาสะจันที่จะทำให้เราอีกถึ่งนี่เอามาสิถ้านาบีุลสลัดจริงนะขมหมหัมมัดพูดสัจจริงถ้าท่านสัจจริงก็เอามาสิแสดงว่าพวกนี้เขาไม่ได้อุทาหอในเรื่องเวลาเลยทำไมเราบอกว่าเรื่องเวลาเนี่เป็นอุทาหอนนี่เพราะ คำเยอะเยยของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยคําถามที่เกี่ยวกับเวลามืต่นี่ตัวนี้มาต่มืต่ฮะจะรัวดูเมื่อใดเล่ามาต่คาถามของเรื่องเวลาความตกต่าของการเยอะเยยของเขาเนี่ยคือตัวเขาในปฏิเสธนะปฏิเสธกุรานะนนะอแทนที้จะเป็นคําถามเกี่ยวกับ เกี่ยวกับตัวกุฎา น, นี่อะไรอ่ะกุฎีนี่คืออะไรอ่ะไม่คือเขามองข้ามไปเลยนะเรื่องกุฎอานหัวจริงหรือไม่จริงนะนะโดยการที่ต้องการเยอะเยอะอะมาพูดถึงเรื่องเวลาเอาเรื่องเวลามาเล่นกับตัวเองโอ้นี่นี่คือนี่คือความเสี่ยงมากสำหรับมนุษย์ทุกคนนะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอะนะที่จะให้เวลาเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มาท้าทายกับ จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองเมื่อเมื่อไหร่จะมาสักทีเรานี่มีพฤติกรรมอะไรคล้ายๆเหมือนมุชริกีนก็ได้นะแต่เราอาจจะไม่ได้พูดเหมือนมุชริกินเราอาจจะไม่ได้พูดว่าเมื่อเม่เมื่อไหร่ความตายจะมาสักทีเมื่อไหร่วันเกียมมาจะมาเราจะไม่ได้พูดแต่การที่เราใช้ชีวิต และเลยคำสั่งสอนไม่แคร์ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญกับข้อเตือนในกุตอิษใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนคนที่ปฏิเสธศรัทธาเลยมันก็มีมันก็มีค่าเหมือนที่ว่าวิถีเนี่ยมันก็มีค่าเหมือนเรากำลังบอกบอกกับคำเตือนที่เราเลาเตือนเราแล้วเมื่มมอไหร่จะเกิดขึ้นล่ะจริงไหมล่ะ มันมีฮะดีสบทนึ่งอ่ะนี่ยฮะดีสผมบอกว่าฮะดีสนี่ น, น่ากลัวมากที่จะคนที่จะถูกถามในกูโบะที่มาเลกาจะมาถามเขาอ่ะรัล บ, บุกะมาดีนุกามั น, นบียูกะพระเจ้าของเจ้านี่คือใครนบีของเจ้านี่คือใครศา ส, สนาของเจ้านี่คืออะไรทุกคนจะถูกถามเนอะปรากฏว่าบางรายงานเนี่ยนบีบอกว่าไอคนนี้จะตอบนี่ก็จะตอบ ไม่ได้เลยตอบไม่ได้ไม่รู้พระเจ้าของเจ้านี่ไม่รู้ยยไอคนนี้เนี่ยสอบตกใช่ไหมชัดเจนหน้นบบีของเจา้านี่คือใครไม่รู้สอบตกศา ส, สนาของเจา้านี่ไม่รู้ศาสนาอะไรผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องสอบตกพรากฏว่าบางแรงงานเนี่ยคาตอบของเขานี่ไม่เท่งงานไอคําคตอบของคนที่สอบตกเนี่ยนะและอันรีอย่าูดว่าฮ้เฮ้สมัยตุ้มย่าูดว่ก๊าซเฮาก๊ เขาจะไม่ตอบปฏิเสธพระเจ้าของเจ้านี่คือใครเขาจะไม่บอกว่าไม่รู้นะเขาบอกว่าฮะสำนวนสำนวนภาษาอะรกันฮะฮะก็คือฮะเนี่ยฮะฮะได้ยินเขาว่ากันอย่างนั้นอาจแสดงว่าเขารู้และมีคนมาบอกเขาแล้วด้วยพระเจ้าของเจ้านี่คืออัลลอฮ์ กเรียนกันเหรที่ฟรดอีนนะเรียนนะ่ะเอ่อเรียนฟรูอินนะเรียนม่เลยทองจำแม่เละมากกว่านั้นนะบางทีนะ่ยก็ไปฟังบรรยายไปเรียนรู้อ่านกุตรอ่านก็เคยมีศึกษาความหมายคุตรอ่านนี่ก็มีบ่อยเหมือนกันมีแต่มันไม่มันไม่เข้าลึกอะ่ะมันไม่ไปถึงหัวใจอ่ะก็ก็ได้ยินเขาว่ากันอย่างนั้นน่ะผมก็ว่าตาม ว่าตามว่าแล้วมันมีคนดีว่าว่าตามคนอื่นน่ะแต่หมถึงว่าเป็นมุสลิมเดิมนี่แหละเป็นมุสลิมเดิมเกิดมาเป็นมุสลิมตามพ่อแม่ตามบัตรประชาชนเป็นมุสลิมแต่อิสลามนี่ไม่เคยไปอยู่ในหัวใจจะรู้ยังไงสังเกตพฤติกรรมพฤติกรรมบรรฟอง มุสลิมก็เข้าเข้ามาสัสยิดละหมาดมัสยิดใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยมัสยิดนี่ไม่เข้าแต่ถ้าเชิญไปไปงานศพที่วัดละ่ะไปทำหน้าที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่เอาบางไปทิ้นอุนตโคดไ ไม่นั่งสวดอะไรกับเขาไม่ได้ทไไดําไม่ได้โอกูรู้กูไม่ถือิถิถีอชายัก็นั่งนั่งทำอย่างนี่ า, ยยางไงเงี้ยบางไปสงการเนี่ยไปรถหน้ามาอะไรนี่มันเป็นพิธีมันก็แค่เข้าสังคมอย่างเดียวเยอะแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยอิสลามไม่ได้ไม่ได้ไปสถิตในหัวใจของเขาบางไปซื้อพระทําไมอ่ะเพราะผมชอบ มันเป็นของบูชาเนี่ย ก, กูรู้กูไม่ได้บูชามันอะรู้ซื้อชอบศิลปะชอบชอบสะสมเขายังไม่ตกศาสนาเลด้วพฤติกรรมนี้เนี่ยเขายังไม่พอาะเขาบอกว่าเขาไม่ได้บูชาไงคนเอาจเวดนี่มามาวางที่บ้านแล้วไม่ได้บูชาก็ไม่ได้ตกมรดกแต่มันเสีย่ยงมันเสี่ยงต่อความศรัทธาอย่างสิ้นเชิง มีวิธีมีวอะไรอะ่ะหรือพี่น้องบางท่านเนี่ยที่รับอิสลามแล้วแต่ก่อนที่จะรับอิสลามนี่ก็เป็นนักสะสมเหมือนกันเป็นนักสะสมองน์นี้องค์นี้เช่ามาห้าแสนบางทีก็มันไม่ ม, ไ ม, ไมีไม่มีคุณค่าอะไรนะมันก็มันก็ของเก่าเนี่ยของของของโบราณนะึ่นแต่เป็นมุสลิมจริงนะนะต้องทำอะไร ถ้าเหมือนท่านนบีตอนเข้ามักกะทำอะไรทำลายอย่างเดียวอ่ะถ้าเป็นทองคำมันก็หล่อซะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบของมันให้เป็นอย่างอื่นพอได้แต่ถ้าหากว่ามันมันไม่มีมันมันเป็นไม้อะไรของโบราณเป็นนะต้องทำลายอย่างเดียวอันนี้อันนี้อันนี้มันน้อยที่จะเกิดขึ้นในสังคมน้อยมากเอาเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนะโอ้ เนนักร้องนักเล่นกีตาร์ิ้งิงิงิ ง, ง, งแล้วก็กีตาร์นี่นะคือ น, นี้เขาใช้ไม้ไม้บ้านเราไม่มีหรอกไม้หนซื้อมาจากโน่นซื้อมาจา ก, กัเศจากอังกฤษเท่าไรเนี่ยโอ้อันนี้ประมาณสามแสนกีตาร์สามสนบางรอิสลามแล้วหรือจะเปลี่ยนแปลงแล้วนี่ ของพวกนี้นี่มันไม่ได้นะต้องขายได้ไะมขายก็คนอื่นก็เอาไปเล่นต่อสิไม่ได้ต้องทำลายอย่างเดียวทำลายยังไงอ่ะก็เอากีตา้านี่มาเค ก, ก, กบาลผมก็ได้ทำลายต้องทำลายให้ได้ทำลายให้พังเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ทำลายนะทำลูกเกดไว้เงี้ย เก็บไอย่างนี้ให้มันอยู่อย่างนี้เฉอย่างนี้ผมก็จะไม่เล่นและจะไม่ให้คนอื่นเล่นแต่ผมจะเก็บไว้ตรงนี้พอทาลายเนี่ยผมทำไม่ได้ไม่ไหวมันนี่สนแสดงว่าคำสั่งสอนยังไม่ได้เข้าไปสถิตในหัวใจของเขาคุณอาา่านเนี่ยคุณอ่านเวลาพูดถึงใครนี่อย่างที่บอกกับพี่น้องอ่เวลากุณอ่านพูดถึงใครอ ย, ย่านี้ว่าไอ้ใครคนนั้นน่ โอ้ยขงวิชาเราหรอกนี่พวกมุชรินคุยกันนบีเนี่ยว่ายกลูนะมาตฮลวดอินคุณตุมซดิกีนเนี่ยใครเยอท่านนบีบอกว่าท่านนบีสัตจริงนะนะสัญญาณนะนะมาอยูไนะนี่นีุ่รานี่เราเกียอะไรกับอายะเนี่ยอายะนี่มันเกียอะไรกับตัวเราวะคนเนี่ยในยุคนี้เนี่ยัตว์วนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ย นี่นบีพวกผู้เชีร์กินคุยกันนบีเราเกีอะไรล่ะมันต้องมีอุทาหรณ์นะใครบอกแล้วว่ากุดอ่านนี่ไม่ใช่พิพิตภัณฑ์นะเข้าพิพิธภัณฑ์นี่ทำอะไรอะพิพิตรันธ์นอ ย, ย, ยู่ให้ดูอ๋อยิ้มฮสวยๆโอ้เจ้าเจ้า้าอจะอ่านกุดอานดูๆๆด แล้วไม่ได้ไประโยชน์อะไรกูอ่านอาย่านี่ไม่ได้เป็นอุทาหรณ์อะไรเลยกับฉันเลยอะนะอันนั้นแสดงว่าเรายาังศึกษาไม่ถึงว่าเราก็จะศรน ال ์ในัลกรุรอานในดิครเราได้ให้การเรียนรู้กุรอานการตรตรองกุรอานที่ง่ายง่ายสําหรับทุกคนฟ่าห์มีมุดเดกิรมีไหมคนที่อยากจะราลึกใครที่อยากจะรําลึกอ่ะมีไหมก็อยูย่ที่ว่าเรานี่แหละเราอยากจะราําลึกไหม ทูกอายาในคุรอานเนี่ยต้องมีอุทาหรณ์ไม่ตรงก็อ้อมสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนคำตอบของต้นนบีที่เขาเย้ยนบีในเรื่องเวลานะมาตาฮาะละลอดุนบีต้องการให้การตัสรูเนี่ยความสว่างนี่มันเกิดขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้มีข้อบังคับใดๆ ไ, ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่เรียกร้องมา ต้องมีมหสัจจัน์ไม่มีมหสัจจันย์ฉันจะไม่ศรัทธาต้องมีอภินิหารต้องมีอะไรเกิดขึ้นแม่งนั้นนะไม่อยากให้เขาศรัทธาด้วยตัวเองจงบอกว่าคุณละอัมลิกุ لنفسي ض ر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا ساخرون ساعة ولا يستقدمون ต้องกล่าวถึงอุโมงั์นี่คําตอบคาตอบของคนที่ต้องการเยอะเย้ย ตัวช่วยสําคัญในเรื่องเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องเวลานะี่ยมตาต่ฮะก็ว่าเมื่อไรละ่ะที่เตือนเราเนี่ที่ที่ขูเราอย่างเงี้ยเมื่อไรจะมาสักทีนี่นบีก็เลยตอบตอบอูมหัมมัดบอกฉันไม่มีอํำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตั ว, ต, วตัวฉันก็หมายถึงว่าแม้กระทั่งฉันเองอนะที่พวกเจ้านี่บอกว่าเมื่อไรละ่ะ ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะให้คําตอบว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะข้าพเจ้าเองเนี่ยจะเอาจะโทษตัวเองจะมีคนมาให้ตัวเองเนะก็ยังทําไม่ได้เลยเรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่อัลลอฮ์สุภาในะวาตาละเว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้นน่ฉันไม่ต้องหวังนะว่าการลงโทษให้มันเกิดขึ้นก่อน และถามถึงเวลาตอนลงโทษอย่างเดียว <c oughs> น บ, บีมาเตือนชาวมักก้าเนี่ชาวกูเรชเนี่ย13ปีนะพูดถึงเรื่องวงนเกียร์มาซึ่งเป็นเรื่องที่เขานึกไม่ออกว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงไม่ไม่นึกออกเลยนะแล้วเขาจะคถาถามที่มีอยู่ในคุตตานในที่มสลิลกินถามท่านน บ, บีจะไม่ถามรายละเอียดของวงนเกียร์มา รายละเอียดของวันเกียร์มาเนี่ส่วนมากนะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะรายละเอียดของวันเกียร์มาเนี่ส่วนมากนี่ทยอยมาที่หลังเนี่ยช่วงท้ายๆที่มักกะและที่มดีนะแปลกนะว่าชาวมักกะที่เป็นมุชริกีเนะี่ยไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรจะเกิดขึ้นในวันเกียร์มาเนี่ไม่ถาเรื่องเดียวอายาณนมุรซ า, าไม่รายจะเกิดขึ้นในวันกเกมาร์มาเนี่ยไม่ไม่แล้วเวลาไม่ละ แสดงว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเวลาที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไปถามเรื่องเวลาที่มันไม่เป็นประโยชน์เมื่อไหร่วันเกีย์มาจะเกิดขึ้นไม่มีประโยชน์หรอกและท่านบรีมาถามท่านนบีลลลฮะเลเรื่องวันเกียเนี่ยเพื่อเป็นอุทธรณ์ด้วยนะครับว่าเวลาเนี่ยเวลาวันเกียมานี่มันไม่ไม่มีประโยชน์มาตดบรีมาตาลมสูน คนที่ถูกถามนี่นะจะไม่มีความรู้มากกว่าผู้ถามอันนี้เป็นเป็นในายะที่สองคนเนี่ยรู้กันคือท่านนาบีเนี่ยรู้ว่าจิบรีลเนี่ยเป็นผู้ถามแต่คนที่นั่งรอบๆเนี่ยมิยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นจิบรีลเนียยังไม่มีใครรู้แต่ท่านนาบีคนเดียวที่รู้ว่าคนที่ถามนี่คือยิบรีลจิบรีลมาบอกกับท่านนาบีจิบรีลที่แปลงร่างเป็นเป็นชาวชนบทใช่ถามมตตซา นบีก็บอกว่าคนที่ถ okay? ูกถามคือต e ัวนบีนไม่มีความรู eh nah m m ้มากกว่าคนที um ่ถามคนที่ถามนี่คือจิบรีลจิบรีลนี่มีความรู้มากกว่านบีแล้วถ้าจิบรีลจะรู้นี่นะถามตรงเลยทูลอัลลอฮุซุลลอฮิวาจาใครน่ะจิบรีลเองนี่ไม่รู้แล้วอัลมานี่บอกว่ามันเป็นหลักการนะอะไรที่อัลลอฮฺไม่ให้รู้นี่นะแสดงว่าแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นน่ยไม่มีประโยชน์สําหรับ เสรีาวาสิงเล่านั่นน่ะมีไปอยู่นีวน่วา่นวนา يقولون سبعة وثامنهم قلبه ثمنون شاو ثمّة เจ็ดคนแล้วก็ที่แปดนี้ก็คือกันบุหุมก็คือสุนัขของพวกเขาอุทเทหอนของเรื่องชาวถ้าที่เขาทําอะไรกันมาแล้วก็หนีทําไมแล้วก็เขา อ, อดทนยังไงอะไรอันนี้อันนี้ทิ้งไปหมดเลยนะอาจารย์ไอสุนัตนี่มันตัวผู้หรือตัวเมีย เราไม่ได we right, ้บอกงวันสุาตัวผู้ตัวเมียทำไมต้องไปถามล่ะมันไม่มีประโยชน์ไงมีประโยชน์ไหมมีไหมมีนี่ดูผมลืมออกมาเนี่ยนีจะพูดเรื่องนี้ไอ้พวกที่บ้าบ้าเรื่องบ้าเรื่องเรื่องศิลศาสตร์เขามีความเชื่อเขามีความเชื่อว่าชื่อชาวถ้ำรวมถึงชื่อสุนัขของเขานี่ยนะ มันสามารถประทานริสกีได้ก่อนนูน้นได้ยินไหมว่านะของก็ น, นึกว่าอ๋อคงเรื่องเรื่องประมปราเ ร, รื่องเลอะเทอะจนไปประเทศตุรกีเนี่ยประเทศตุรกีเรื่องนี้เขาเขาเขาเชื่อเชื่อแบบตุรกีนี่เป็นประเทศเดียวที่ผลิตไอ้ไอ้เครื่องขังที่มันเครื่องแขวนอะประดับประดานะ ใครที่จะไปซื้อของที่สุ้ระวังนะเพราะเครื่องประดับปดาที่ประดับที่ติดที่บ้านนี่เกือบทุกชิ้นนี่นะมันจะมีวงกลมนี่นะ่ยวงกลมนี่เป็นสีฟ้าแล้วก็ตรงกลางนี่เปสีดํามันคือลุกกตาและอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณของการป้องกันอิจฉาริษยาซื้อตัวนี้นะนะแขวนนี่ไม่ได้แขวนใช้ๆนะแขวนนี่มันจะปัดปัดอิจฉาริษยา และนีอีกตัวนึงอะนะมันเป็นตัวติดที่ตู้เย็นอนะเป็นพวกแม่เหล็กอะ น, นะติดตู้เย็นเนี่ยชื่อชาวถ้าและสุนัขของเขาทําไมอะโอ้ยเรื่องแสดงว่าเรื่องมันจริงนะวะ่าเข้าไปค้นหาเนี่ยโอ้โหต้องอ่านเวลาขอดูอ่านนี่เ อ, อ่ยชื่อนี่ชาวถา้าทั้งหมดเลยรวมถึงสุนัขของเขานันแล้วก็ขอดูอ่ะมันจะเป็นมันจะนํามาริสกีจะรายได้จะดีอะไรเนี่ย เห็นไหมมุสลิมเนี่ยเวลาสมองนี่โดนสร้างแฟะอันน้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนอื่นแหละไอ้เรื่องมุสลิมที่ต้องอักีด้าของเขานี่เข้มแข็งมีพระเจ้าองค์เดียวนะเวลาเพี้ยนเพี้ยนน่นกันก็มีอะไรแบบนี้ทำไมมุสลิมบอกว่าไอ้ตัวที่มันเนี่ยอ่ะมุสลิมก็มีของเขาเหมือนกันนะอ่าเพราะเขามุสลิมเนี่ยเออจะไม่เห็นหรอก เขาจะเขาจะติดไว้ใ ต, ต้โต๊ะนี่ติดไว้แต่เคยเห็นมหมเออไม่เห็นี่ใต้โต๊ะจะเห็นยังไงอ่ะนี่อะไรยันเนี่ยันยันเนนะแล้วก็ไม่ใช่ยันแขกนะยันอีกทางนึงด้วยยันเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะยันเน่ยจะขายดีขายดีคนที่มานั่งโต๊ะเนี่จะได้สั่งเยอะสั่งกินเยอะมีมือกันนะมุสลิมก็ทำเหมือนกันนะ นบีบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีรถอานาจอะไรที่จะให้คุณให้โทษกับตัวฉันเนี่ยฉันไม่มีนอกจากว่าเลาจะประสงค์เพออราะอะไรอ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีกาหนดการมีการละเวล า, ลาแล้วนี่หมาละเวลานะลิคุลลิอุมมัดินอจลสำหรับทุกประชาชาติย่อมมีเวลากาหนด เอาคำว่ารีคุหรืออุมาติเอาตัออกไปนะสำหรับทุกประชาชาติสำหรับทุกหมู่ชนเนี่ยมีกำหนดมีเวลากำหนดใช่หมหย่อมมีเวลากำหนดนี่นะเอาเอาเอาเอาอย่างอื่นมาอ่าเช่นสำหรับนายคนนี้เนี่ยนายคนนี้ทุกคนนะนะมีเวลากาหนดทุกอย่างทุกอย่างมีเวลากำหนดสำหรับ การศึกษามีเวลากำหนดสำหรับเวลาที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองสำหรับเวลาที่จะเลิกเรื่องนี้มีเวลากำหนอดอัลลอฮ์ให้เวลาอยู่อยู่ที่ว่าเราจะบริหารเวลานี้ยังไงลีกุลลีอุมมะทินอจัจลอัลลอฮ์ให้เวลาแนะ ล, ล้วนะเราไม่เอาเปรียบใครลีกุลทุกคนนี่นะมีเวลากำหนดแต่ผมบอกว่าตอนแรกนี่คือตัวช่วยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเรา ตัวช่วยสำคัญในการที่เรารู้คุณค่าของเวลาแต่จะอาจาลืมเมืม่อเวลาของพวกเขามาถึงพวกเขาจะขอผ่อนผ่อนผันให้ล่าชา้าสักระยะหนึ่งไม่ได้และจะร่นเวลาให้เร็วเขาก็ไม่ได้อันนี้มูดถึงเรื่องความตายหรือวันเกียร์มะ แต่มันหมายรู้ว่าทุกกำหนดการที่อัลลอฮฺสุลฮานวดารกำหนดและพระองค์ทรงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นแล้วนะถ้าอัลลอบัญชาแล้วให้เกิดขึ้นนี่นะมันวิงเวลาก็ไม่ได้ล่าช้าก็ไม่ได้ชีวิตของเรานี่มีโอกาสเยอะทำความดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เลิกสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ถ้าเราได้กำหนดว่าวันนี้ช่วงนี้ ถ้าเรากำหนดนะ่ะเราจะเลิกเราจะไม่ทำบาปความชั่วนี้เราจะไม่ทำโดยเด็ดขาดขอให้มีใครทั่วโลกขอให้คนชั่วทั่วโลกรนรงให้เราได้เปลี่ยนใจจะได้กลับไปทาความช่วยนะ่ะเขาก็จะไม่ประสบความสำเร็จเรารู้ว่าบัญชาของพระสุภานวตาล์เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ผู้ศรัทธารู้แน่นอน แต่อะไรที่จะทำให้เรารู้ว่าเราคู่ควรแกบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮฺร์รานวยาลที่จะให้ได้เปลี่ยนแปลงง่ายๆแบบนี้หมายถึงว่าโอ้โหสุนัตัวเราเราทำบาปอย่างหนึง่งความชั่วยอย่างเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงไงเราไม่รู้จะเลิอกอยังไงบาปหรือความชัว่วเราก็กำ ล, ลังเลียอยู่ เมื่อไหร่จะเลิกสักทีเฮ้ยนี่เขาบอกว่าถ้าอัลลอฮ์อนุญาตให้เราเปลี่ยนแปลงไม่มีใครจะขวางได้เมื่อไหร่อัลลอฮ์จะอนุญาตสักทีเออพยายามที่จะพยายามที่จะหลอกตัวเองอะนะหลอกตัวเองงนะั้นน่ะเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะอนุญาตสักทีทำไมเมพราะผมก็พยายามเยอะแลยนะมันไม่สําเร็จผมรอที่อัลลอฮ์มันชาเลยนะมันจะทุกอย่างมันจะได้จบทีเดียวเลย บางทำไมทำไมไม่ละหมาดสัทีอัลลอฮ์ยังไม่อนุมัติงีก็ฉันรอเนี่รอให้อัลลอฮ์อนุมัตินี่ไงถ้าอัลลอฮ์อนุมัตินี่ไ ม, มีใครจะขวางผ ม, ผมเนีน่ยผมทําแน่นอนผมสัมผัสแน่นอนหลายอย่างเราพยายามที่จะประวิงเวลากับตัวเองแบบเนี้ยผมว่าเก้าสิบเก้าอร์ซนของคนนี้มีข้อแ ang แบบนี้เนี่ยรู้ตัวะส่วนมากไม่รู้ตัว อาจจะมีบางคนนะนะอาจจะมีบางคนเนี่ยที่ที่แบบว่ามีความสิ้นหวังมากเลยอย่าแล้วก็แบบว่ารู้รู้ตัวเองจริงๆโอ้หทุกเคสของเขาเนี่ยต้องต้อง Ан ลต้องช่วยจริงๆแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองแนละ้วอาจจะมีบางคนเนี่ยที่คิดอย่างนั้นจริงๆแต่คนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้ว่าการตัดสินใจเนี่ยอันนี้คือจุดจำแนกไงนักฟิสิกส์เนี่ยเขาบอกว่า สมการลุกสมการนี่มันจะต้องมีหน่วยที่เกี่ยวกับเวลาที่จะทำให้เราสามารถคำนวณเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลานั้นนะ่ะถ้าไม่มีเวลาเนี่ยเราจะร่างสมการขึ้นมาไม่ได้ทุกคนนะทุกคนนะเรานะ่ยทุกคนเนะ่นนะมีสมการในในสมองของตัวเองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อไรเราจะเราจะ ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องดีที่มันน่าภูมิใจในชีวิตของเราเนี่เมื่ อ, อไรสักทีเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราว่ามีฝีมือมีความสามารถในการที่จะในการที่จะให้กําหนดการนั้นมันเกิดขึ้นเร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อไหร่ถ้าบางทีเนี่ยเราทําความดีแล้วเชินละหมาดแล้วแต่เราละหมาดเหมือนชาวบ้านละหมาดละหมาดแบบไม่มีคุณภาพนี่ยแต่เรารู้ว่าถ้าเราอยากไดละหมาดจริงเนี่ยเราสามารถศึกษาได้ เรีนรู้น่ะบีามะฮ์ยังไงเราจะทำใ้เขช่วให้ลมาดยังไงละหมาดให้มีอรรถละหมาดให้มีความสุขเนี่อเรารู้เราศึกษาแล้วก็ทำได้แต่เรายังไม่ทายังไม่ศึกษายังไม่หาข้อมูลความเราเชื่อจริงนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะวะดาะเดดขาดอิะจ้าเอจลุฮฺมฺฟลาสต์ซัคฮรน่าห์ตะะลาสตดิเมื่อเวลาของพวกเขามาถึง พวกเขาจะขอผ่อนผันให้ล่าช้าสักระยะหนึ่งไม่ได้และจะร่นเวลาให้เร็วเขาก็ไม่ได้าเกทัดคุณติ๊งนะกล่าวลงโทษติ๊งๆตุ้งเกาเธออัลมุฮัมมัดพวกท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือ กอนหน้านี้นี่ก็เคยมีการลงโทษที่เรลลาได้ให้ปรากฏกับประชาชาติยุค ก, ก่อนและตก็ชาวอาหรับนี่เขารู้ว่าเนี่ยเขาถูกลงโทษเนี่เพราะเขาต่อต้านนบีของเขาเรื่องนี้อาหรับนี่เขาเารู้นะอย่างกลุ่มชนอ า, อาสมูดเนี่ยซึ่งอยู่ในข้าบสมรุรอาหรับ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องประชาชาติอื่นๆที่อาจจะไกลกว่านั้นหน่อยรายละเอียดที่อาหรับอาหรับอาจจะไม่รู้แต่เรื่องที่อาหรับเขารู้จริงเนี่เป็นประวัติเพราะเกิดขึ้นในเชื้อชาติอาหรับแล้วเขาได้กระหอากระแบ่อิดะอาหรับที่ศูนยพันศูนพันในเพราะอะไรเพราะเขาปฏิเสธนบีของเขาก็ถูกลงโทษจนศูนย์พันไปหมดกลุ่มชนนบีซ่อยและกลุ่มชนนบีฮุตพวกอากพวกสมุตเขารู้อ๋อแล้วบอกว่าพวกท่าน เห็นแล้วไม่ใช่หรือยังว่ารู้รู้แล้วตระหนักกันแล้วหากการลงโทษของพระองค์ประสบแก่พวกท่านในเวลากลางคืนหรือเวลากลางวันทําไมพวกอาชญากรเหล่านั้นจึงขอร่นเวลาจากพระองค์คาว่าจากพระองค์นี่ไม่มีนะในนี้อันนี้มีมินหัวซาญิลูมินหูเขาจะขอร่นเวลานี่ขอมินหูจากใคร่ะ จากพระองค์จากอัลลอฮ์นี่ถ้าการลงโทษจากอัลลอฮ์มาแล้วหนึ่งถึงเขารู้เนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ลงโทษใช่ไหมเขาจะขอจากอัลลอฮ์นี่ขอให้เร่งเวลาหน่อยล่าช้าหน่อยหรือให้เร่งหน่อยอัลลอฮ์บอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรล่ะอาแทกุมอาซาบุฮุการลงโทษอัลลอฮ์เรียกการลงอาซาอาซาอาซาในการลงโทษอย่างจิบเซบ ที่เขาเห็นกันในะ ก, การลงโทษของกลุ่มชนสมูตรกลุ่มชนอาตที่ทำให้ทาให้กลุ่มชนหมู่บ้านของเขานีปราไม่เหลือเรื่องราวของของกลุ่มชนอาตสมูตรนี่คุณอ่านมาเล่านี่นะ <c oughs> ไม่มีปรากฏว่าอาหรับนี่มาเถียง่ันนะบีอัมาสมุด เราส่งนั ص ص ้น ل ي ه م มริยอันซร์ซาร์ในยามน้ำเสียมุ่งมั่ต้นที่ของนักแค้นนั้นเขาจนักเรียนก็จะมีคุณธรรมกับกุมชนสมุดและการไม่มีปรากฏหน้าว่าชาวมุสลินที่มาเกี่ยวมีจริงมันบีอามาจากไหนไม่คือยอมรับบนแสดงว่าเขารู้ว่านี้ที่ท่านนบีพูดถึงเรื่องกุมชนสมุดและกานี้มเรื่องเกิดขึ้นจริงเขาวามรับในเรื่องนี้นี่ก็เหมือนกัน นี่สุริยูนสุสติมกาใช่ไหมก็เคยมีไนงะถูกลงโทษแล้วเขาจะขอปะวิงเวลานี่โอ้ไม่อยากตายแล้วมันจะได้ผลไหมมาเดสาจิลูมิฮุลมุจริมุลทำไมพวกอาชยยกรมุจริมูนอาชญกรเหล่านั้นจึงขอร่นเวลามันจะมีประโยชน์อะไรแล้วแต่เราไม่ควรเข้าใจว่าอาเดบนี่คือการลงโทษอย่างที่เกิดขึ้นในทุกกลุ่มชนที่ปฏิเสธ บรรดาอัลเาะห์และรัสูลเพียงรูปแบบเดียวไม่ใช่การลงโทษของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หลายรูปแบบการลงโทษที่แบบเร่งเวลาไม่ได้ร่นเวลาไม่ได้ประวิงก็ไม่ได้เลยราชาก็ไม่ได้เลยคือบัญชาของอัลลอฮ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นความตายแต่มีการลงโทษที่อัลลอฮ์จะลงโทษแต่ก็ยังให้เวลา แต่ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงว่าที่มันปรากฏนี่มันก็เป็นอาสาเช่นเรารู้เนี่ยรู้แก่ใจนะเรารู้แก่ใจไทยไปถ้าไปเล่นบอลกับพวกนี้นี่ยนะมีสองว่ากระตูนี่หายแน่เรารู้แก่ใจทําไมพวกนี้เนี่ยเล่นเล่นแล้วมันมันหยุดไม่ได้อารู้รู้แก่ใจแต่เราก็หลอตัวเองอ่ะอ๋อ เดี๋ยวถึงเวลาละมาเดี๋ยวต้องละหมาดแน่นอนพอถึงเวลาละหมาดก็ไม่ละหมาดการนี้ไม่ละหมาดนี่นะเราเข้าใจว่าโอ้มันไม่ได้ฟ้าไม่พาเราไม่ได้เจอแบบว่าหัวใจหยุดเต้นอันนี้ทั้งหมดนี่เทียได้กับบอลเรยว่าอัลลอฮ์ลงโทษอาซาบอาซาบเขลงเห็นไหมไม่ละหมาดนี่ฟ้า่าเลยเมั้มันต้องอย่างนั้นเราคิดว่ามันต้องอย่างนั้นจะได้ไดกว่าอาซาไม่ แค่ไม่ละหมาดนี่ก็อาสาบแล้วปลอยตัวนี่ไปอยู่กับคนอื่นทำความชั่วร่วมกันแค่นี้ก็อาสาบไปแล้วนี่ที่ว่าอัลลอฮ์ลงโทษไปแล้วแต่มันไม่ใช่นิดลงโทษที่ว่าเราจะไม่แก้ไขได้มันก็ยังสามารถแก้ไขได้เพราะอัลลอฮ์ยังให้มีเวลาถึงบางคนบอกว่ามีปัญหาอะไรละ่ะ ที่แก้ไม่ได้ตอบได้เลยถ้ายังมีลมหายใจนะแทงมีชีวิตนะแก้ไขทุกเรื่องเลยทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่อง ท, ท, ทุกเรื่องแก้ได้หมดในเมื่อมีชีวิตเป็นกาเฟสศรัทธาได้เป็นคนชั่วเป็นคนดีได้เป็นคนป่วยป่วยชนิดที่ประวุมพิการหมดเลยนะไม่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจมีแต่สมองอยังเด่อนอก็ยังทําอะไรได้ ยังมีชีวิตอยู่ไงยังมีชีวิตอยู่ทำได้หมดแก้ได้หมดแก้แม้กระทั่งการลงโทษชนิดเทอรสุภาโนดาลลงโทษแบบให้ทำความชั่วแล้วก็อย่าลืมว่าเฮ้ยอัลลอจะลงโทษให้ฝ่าฝืนพระองค์ได้ไงอ่ะไม่ใช่คือบทลงโทษนี่อัลลอไม่ประสงค์แน่นอน วันแรกราดอยเลยไอ้แม่ดลีลคุฟราบอกอัลลอฮไม่ประสงค์ไม่พอพระไทยที่จะให้เบาของพระองค์นี่ปฏิเสธพระองค์รคหรือฝ่าฝืนเราเราไม่ไม่พอพระไทยแน่นอนแต่ความชั่วที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำมือของเราที่ผ่านขั้นตอนละเลยลังเลกติกากระบวนการที่อัลลอฮ์สอนเราเนี่ยให้ทํำจะได้หลีกเลี่ยงจากความชั่วนี่เนี่ยเราเรามองข้ามเราละเลยนะ เราเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้บทลงโทษที่มันต้องเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งนี้การลงโทษแบบที่แก้ไขได้ะนะมันไม่เป็นการลงโทษเสมอไปคือการลงโทษที่แบบว่าชนิดที่เราที่เราจะอุทรไม่ได้แล้วแต่ทุกความชั่วที่เราทำและอุทธร์ได้นะมันอาจจะมีมุมมองที่เป็นประโยชน์สำหรับเราก็ได้ทำบาปทาความชั่ว แต่หลังจากทําความชั่วเี๋ยเราเตาบาดตั ว, ตตวและความชั่วเี๋เราได้จดจําไว้ตลอดชีวิตทุกครั้งที่เราอถ้าเราจะบงางอาจจะทําความชั่วเราก็นึกถึงเรื่องเนีเ้เราก็จะถอยเพราะก็รู้ว่าไอ้ความชั่วที่เราเคยทํามาก่อนนะั่นนี่มันมีประโยชน์นะเฮ้ยมันได้ประโยชน์เหมือนกันนะเพราะมันเตือนสติเราตลอดเตือนสติไม่ให้เราทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็เป็นประโยชน์ไง ถนฮัสซัลบาสรเรียกบกว่ามีฝูงชนผู้ศรัทธากลุ่มหนึ่งจะถูกลากเข้าสวรรค์ด้วยโซ่ลูกโซ่ทําไมอ่ะอั น, นี่จริงเนี่ยเขานี่ยทำความชั่วแต่ความชั่วที่เขาทํานี่นะทําให้เขานี่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแ้่สุดท้ายนี่ไอความชั่วที่มันเป็นโซ่ลูกโซ่เนี่ยมันจะลากเขา้าแทนที่จะลากเขาาก้านรร์กเปล่า พรากฏว่าเข้าสวรรค์ก็ด้วยความชั่วเพราะถ้าหากว่าเขาสมมุติสมมุติว่าเขาไม่ได้ทําความชั่ น, นนะ่ะเขาก็จะปล่อยตัวแล้วก็ไม่ได้ขยันแก้ไขตัวเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใดๆเพราะมันไม่ได้มีแรงบันดาลใจพรากฏด้วยความชั่วบางครั้งนี่อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้พระธรรมถุงเคลมได้พูดถึงประเด็นนี้ในหนังสือมิฟตาหูดาริสชาห์นะได้พูดถึงเรื่อง มี شاهد รูบบบิยะมี شاهد รูบบุบิยะวิสัยทัศ์ของผู้สัธาต่อบัญชาการของพระผู้เป็นเจ้าฟิลมาอัสีในการที่อัลล์พราะบางคนจะถามอัลลอ์ไหนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยก็ด้อนุมัตจากอัลลอฮ์ะอาให้เรื่ความชั่วทำไมอัลลอฮ์อนุมตให้เรื่ความชั่ว ทำอธิบายก็คืออัลลอฮ์อาจจะอนุญาตให้เราได้ทําความชั่วเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับตัวเราในอนาคตก็ได้ทั้งนี้ไอคนที่จะได้ประโยชน์จากความชั่วของตัวเองที่เคยทํามานี่นะก็ย่อมเกิดจากการที่เราได้เห็นเขาได้เห็นคุณค่าของเวลารู้ว่าเฮยเวลาไม่พอแล้วฉันจะละเลยไม่ได้แล้วเวลามันไม่เหลือไม่ไม่ไม่เยอะแล้วฉันจะต้องรีบ แก้ไขรีบเปลี่ยนแปลงอซุมม์อิดามาวะกาอามันตุมบีครั้นเมื่อมันเกิดขึ้นหมายถึงกับการลงโทษของเราเมื่อเกิดขึ้นพวกท่านก็ศรัทธาต่อพระองค์กันนั้นหรือนี่หมายถึงความตายหรือหรือหายนะที่อัลลอฮฺให้เกิดขึ้นในประชาชาติยุคก่อนนี่ครั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะศรัทธาอามันตุมบเดีอัลลอฮฺจะเล่าเรื่องฟิร์ฟิร่ในส ورة ยูนุสเนี่ย ข้าตุมนามเลวเนี่ตุมเนี่ยเอ็มทะเลี่ยเล่าไม่มีพระเจ้านอกจากพระเจ้าที่บรรดาบรรุชนเขาศรัทธาเห็นมว่าเขาจะขอศรัทธาสล้วก็อกวาอัลอว่ากระดาษใสแต่กับลูกคุณแต่ไม่ได้สตอนนี้หรือตอนนี้ที่จะมาจะมาศรัทธาตอนนี้น่มันไม่ได้แล้วหายณะความตายแก่คนชั่ว เยมลบประวิงเวลาตลอดชีวิตให้เขแก้ตัวให้เขาปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยแอลแอนขณะนี้พวกท่านศรัทธาก่อนหน้านั้นพวกท่านยอะเย้ ย, ะ ย, ะยะขอรอนเวลาบีตาสตาจิลุนแอลแนตอนนี้หรือไม่ใช่เป็นคำถามแอลแอนขณะนี้พวกท่านจะศรัทธาหรือ ประเด็นสุดท้ายนี่เกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ไม่สูญเสียใช่ไเราก็ยังมีโอกาสพอเราประวิงเวลามีชีวิตอยู่สา ม, ม า, า, ารถยังแก้ไขปัญหาแต่ชักช้าเนี่ยถึงแม้ว่ามีเหตุผลนะมันจะทำให้เรา เสียโอกาสคุณค่าของผู้ศรัทธาผู้แก้ไขแก้ตัวตัวเองที่อยู่ในกลุ่มแนวหน้าก็คือพวกซาเบกูคนที่จะอยู่ในแนวหน้าคือคนที่รีบรีบทำรีบเติาบัตรตัวรีบแก้ไข ประชาชาติอิสลามนีความประเสริฐของเขานีวันเกียรมานีนะว่าเป็นประชาชาติแรกที่จะถูกตัดสินก่อนประชาชาติเป็นอื่นเลยท่านนบีได้บอกใน hadis บับดุิบุคฮริลมุสลิมนะฮุลอัครุณใน dunya as-sabiqun يوم القيامة أو كما قال ในดุ n y านี้เนี่เราเป็นประชาชาติสุดท้ายแต่ในวันเกียรมานีนะเราเป็นประชาชาติแรกมาเพืมุฮัมมัดนี่มากก่ ก็นีมีมูฮัมมัดมีเจ้าของชฟาวะอุ้มาชาัาวะที่ให้อัลลอฮ์เนี่ยเริ่มตัดสินระหว่างบันดาบชาชา่าทั้งหลายนี่เ่เริ่มเร่พิพากษาไงแตเริ่มพิพ า, กษ า, พพากษาประชาชาติอิสลามมีมาก่อนเลยเป็นประชาชาติรุ่นก่อนที่จะตัดสินแสดงว่าความประเสริฐของความเป็นคนที่อยู่ในแนวหน้าเนี่ยมันต้องพิจารณาเวลา ให้ดีแล้วต้องรีบเรึ่งในการคว้าความดีให้เร็วที่สุดถึงอัลลอฮ์ไปแบ่งกลุ่มวันเกียรมาหนินะมีอยู่สองกลุ่มสามกลุ่มสองกลุ่มนี่แน่รอดกลุ่มนึ่งไม่รอดกลุ่มแรกนี่อัสซาบิคูนอัสซาบิคูนอุไลกะลูคารรับูนคนนี่อยู่ในแนวหน้านี่นะคนที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดกลุ่มที่สองนี่อัสฮาบุลไมมะนะทําความดีเหมือนกันแต่เขาไม่รีบรึ่งเหมือนพวก แนวหน้าซาบิคูลกลุมีสามนี่อัลชาบูลมัชแอมมาตีมาอัลช ا บลมัชอมยคนอยู่ซ um ้ายซ้ายิดซ้ายอ้าวแสดงว่ามันมีประโยชน์เหมือนกันถ้าเราจะรีบเร่งในการทาความดีใช่เป็นเป็นคุณสมบัติของบรรดานาเบียละรสูลและคนที่คนที่ปฏิบัตตามบรรดานาบียละรสรุนอินนั่มกานูยูซาริูฟิลยต เนนรรหแต่เราจะมีเราจะมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กับตัวเองให้มีศักยภาพในการเร่งทำความดีในชีวิตของเราคนเรานี่ คนที่ชักช้าเวลาจะมีมีโอกาสโอกาสทำธุรกิจดีได้กำไรนี่ส่วนมากนี่คนที่จะชักช้านี่คนที่คิดเยอะคิดแล้วคิดคิดเยอะคิดนี่ก็เร่งดีนะวางแผนก็เรื่องดีแต่บางทีนี่มันเยอะเกินเยอะเกินจนคนอื่นนี่มาคว้าโอกาสแล้วเราก็หมดล ะ, มดละไม่มีโอกาสละ ฉะนั้นเคลียตัวเองให้ดีเรื่องที่มันดีแน่นอนนะนะอย่าไปคิดมากเรื่องที่ดีแน่นอนนะอย่าไปคิดมากล่าอะไรที่ทำให้เราคิดมากเรื่องแค่คนอื่นละแค่สายตาคนอื่นแค่สังคมแค่คนโน้นแค่์ค น, นเรื่องดีที่มันชัดเจนเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากทำไปเลยฮะ อ่ัมภีรอ่านเกี่ยมุเลนมทำความดีทำความดีกับพ่อแม่สิกลุ่นล็อกอะไรที่มันเป็นความดีเนี่ยยังไม่ชักช้ามีโอกาสทำนี่ก็รีบทำไปเลยเรื่องที่มจะชั่งน้ำหนักแต่ละมาซุนน่าแต่พ่อแม่เรียกให้ช่วยมาทำนี่หน่อยแต่ละมาซุนน่าดีหรือจะช่วยพ่อแม่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องดีที่มันจะแย้งกันนะไหนนั่นใช้เวลาคิดได้ใช้เวลาคิดแต่เรื่องที่มันไม่มีอะไรที่ต้องคิดแต่ต้อที่ทำ เพราะการนี้เราไม่ทําเนี่ยลังเลช pues mm ักช้าในการทําเนี่ยเนี่ยเสียโอกาสเสียโอกาสนอนไม่ตื่นละหมาดเกอมุลเล่ไป่ตื่นละหมาดสุโบละหมาดฝั่ดูเสร็จแล้วเนี่ยจะละหมาดซุนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ตอบลายก่อนเดี๋ยวว่ตอบลายเสร็จแล้วตอบลายเสร็จแล้วแล้วก็ลุกขึ้นไปละหมาดเลยนะเอาตอบลายก็ตั้งใจว่าจะตอบลายคนเดียวนะ ทำไมผู้่แบบนี้นะเอ้ผมก็เจอมืนกันนะนี่อันนี้อันนี้สารภาพเลยนะเขาก็จะตอบคนเดียวเนี่ยมาแล้วอีกคนหนึ่งมาล้อีกคนห น, น, น, นึ่งนู่นนะซุนน่าเนี่ยไปแล้วไม่เหลือแล้วเข้าฟอร์ดูนอีกวกตูหนึ่งอะไรแบบนี้มันมีเรื่องอื่นที่จะก่อกวนชีวิตของเราโดยเฉพาะเยาวชนนะเรื่องของเล่นนะ่ะเรื่องเล่นนะเยอะแยะจึงได้เห็นนะครับว่าอายะต่างๆในสุริยูนสุส โดยเฉพาะในท่อนนี้นะครับที่อัลลอฮได้พูดถึงพฤติกรรมของมุชริกีนในการ <c oughs> ชักช้าลังเลที่จะศรัทธาที่จะสนองตอบรับบัญชาของเราสุภาโนวาตาเป็นผลที่ทำให้เขาในาพลาดโอกาสจึงเป็นอุทาหรณ์สำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับที่อยากจะทำในสิ่งที่ เป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเขาเนี่เรื่องที่ดีที่สุดนี่เรื่องพิจารณาเรื่องเวลาให้ดีไม่เคยมีข้อมูลจากอัลลอฮ์จากกุตัานหรือจากดี د ث, หสือจักประสบการณ์ที่บอกว่าความตายเนี่ยมีเงื่อนไขว่าคนจะตายเนี่ยจะต้องเป็นคนแก่ไม่มีและใครที่เคย ใครที่คิดเรือยั ง, ยงพยายามปอบตัวเองปอบใจตัวเองว่าอ๋อคนตายนี่คือคนที่ต้องอายุหกสิบเจ็สิบแปดสิบอะไรเงี้ยแสดงว่ากำลังหลอกตัวเองแน่นอนและถ้าอยากจะพิสูจน์เรื่องนี้นะก็เชิญไปโรงพยาบาลเลยครับเชิญไปดูที่โรงพยาบาลส่วนมากไม่ใช่คนแก่นะส่วนมากไม่ใช่คนแก่แล้วก็เชิญไปดูในทะเบียนคนที่เสียชีวิต ถ้าเราอ่านดูเจนอาณาอะไรต่างๆอยู่น ะ, ะมีนายคนนั้นคนนั้นอายุสามสิบก็มีอายุสิบหกก็มีอายุยี่สิบก็ ม, กมีเห็นๆกันล่าสุดนี่มีคนที่ประเทศอียิปต์เนี่ย ท, ทักมาหาผมนี่แล้วก็จำผมได้ปะไม่ได้จำไม่ได้แต่เขาเอ่ยชื่อคนหนึ่งผมนึกเลย จำน้องชายผมคนนู้นนะจำได้เลยเป็นเด็กอายุสิบหกปีเด้ท่องจำกุรอานทั้งเล่มและเดินทางก็อยู่อยู่อยู่ใกล้มสีดเมสิดใกล้ผมยังรู้จักกับกคุีกันเคยมากุตตานเมื่ออนุรานกับผมมาเรียนกุรอานกับผมก็ออกเดินทางไปต่างจังหวัดกับพ่อเนี่ยก็ปอดีรถยางมันเสียหรือมีอะไรเนี่ยเขาก็ลง ลองไปเปลี่ยนยางหรือสักอย่าง น, นะก็มีรถหกล้อนี่มาชนเสียชีวิตคือมารู้นี่ว่าเขาเนี่ยเด็กคนนี้อายุสิบหกเนี่ยก่ อ, ยนยอนเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าอะไรเกิดขึ้นกับผมเนี่ยให้ชีริรอนี่มาอาบน้ำเจนัสซะให้ผมมาอาบน้ํำละหมาอาบน้ำใบกระถ่ายผมซึ่งตอนนั้นผมผมไม่รู้อยู่ไหนก็เลโทรมาโทรมาแต่ก่อนไม่มีมือถือนะโทรโทรศัพท์บ้านนะโทร โทรมาผมไม่อยู่จติบานเข า, บ อ, า, บ, อ า, าออบอกว่าเนี่ยทเขาโทรมาผมก็ผมก็เรียกไปต่อมีอะไรเขาบอกว่าเนี่ยามูดนี่เขาเสียชีวิตแล้วเขาบอกว่าก็าผมได้มีโอกาสไปอาบน้ํา <c oughs> อาบน้ํำไปเยต้เขาเนี่ยคนเรานี่ทุกคนในเวลาเห็นความตายเนี่ก็ไม่อยากไม่อยากจะไม่อยากจะอยู่ในสภาพนั้นเวลาเห็นคนตายเวลาไม่อยากจะอยู่ไม่อยาก แต่บางกรณีเนี่ยอิจฉาคนตายอยากจะเป็นคนคนนั้นอายุยังสิบหกแล้วก็เป็นเป็นวัยรุ่นที่เป็นที่รู้กันในชุมชนนะเป็นวัยรุ่นที่ไม่เคยคือไม่เคยสนนะไม่เคยไม่เคยเกเรไม่เคยเลยเริ่มตั้งแต่าตาอายุสิบสีมเริ่มท่องจำกุตอะสิบหกแล้วนี่จำกุตตาทั้งเล่มเลย นึกออกเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณยี่สิบห้าปีแล้ว่าลืมไม่ได้เลยคนนี้เนี่ยผมนึกนึกออกเลยลืมไม่ได้เพราะคนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้อาบน้ํามายืดให้เขานี่นะน่าจะปีสองปีนี่นะภาพของเขาเนี่ยตอนที่ผมอาบน้ําให้เขาเนี่ยเป็นปีอะ่ะมันมันติดมันติดอยู่ที่สมองตลอดเลย และการให้ผมเนี่ยมีอุทาหรณ์สำคัญมากที่ได้มาจากการอยู่ใกล้ชิดกับความตายอายุสิบหกเขาคงอาจจะมีแผนอะไรในชีวิตยาวนานที่คิดว่าอยากจะทำานะสิบหกแต่ก็อีกมุมหนึ่งการที่เขาได้สั่งเสียอายุสิบหกแล้วยังสั่งเสียพ่อแม่เขานะบอกว่าถ้าฉันเป็นอะไรอะนะให้คนนี้มา อาบน้ำไมเ่เย็นให้ฉันเนี่ยนะก็อาจจะไม่ไ ด, ไมไดีไม่ได้ไม่ได้วางแผนอะไรเยอะแ ย, ยะนะแต่เสียชีวิตในขณะที่พ่อแม่เขานี่ไม่ไม่ติดใจอะไรเลยพี่น้องของเขาทุกคนนี่ก็รักใครคนในชุมชนเนี่ยทุกคนนี่กนเน็เห็นแต่เด็กคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาเสียบออกจึงมาเสีเยอีกฉาไงว่าแล้วจะ เจออะไรแบบนี้หนึงก็อิชาแบบถ้าเราเป็นคนแบบนี้แล้วไม่ต้องเหนื่อยใช้ชีวิตอีกนาจะต้องเจอโน้นเจอนี้ชีวิตจกง่ายๆแบบนี้แบบเรีบเรยบๆไม่มีภาระไม่มีอะไรเยอะที่ต้องแบกไปยิ่งอยู่ก็ยิ่งแย่ยิ่งมีชีวิตไม่แน่นอนไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะจะเละเทอะ จะช่วยช่วยอะไรไปอีกบางทีก็อิจฉาครับคงจะฝากไว้เก็บเพ่อน้องเพียงเท่านี้นะครับวสลล่ออานนัีนุลริวาระีวสอบมีคำถามไหครับพี่น้องดนจากเขาอยากจะทํารของอาหารแมวในนี้ก็มีคนพักที่น้องบสเลียักว่าคืออยากให้เขาขอตะาราสครับขออาหารแมวเนี้ยนะจเป็นต้องขออาราสในหาแล้วก็สตล้ยงก็มาหารวเป็นอาาอารา อาหารแมวอาหารสัตว์ที่เรา <c oughs> ที่เราจะทำนี่ก็ต้องต้องฮาลาลครับแมวนี่ถ้าเราถ้าเราไม่เชื้ออาหารแมวนะถ้าเราถ้าเราจะเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยออาหารมากินนี่ก็ต้องเป็นอาหารฮาลาลาจะไปขอเนื้อหมูข้างบ้านมาให้แมวกินไม่ได้อาหารนยิสเี่เราเลี้ยงปศุสัตว์ของเราเช่นเลี้ยงประดุกเลี้ยง เลี้ยงปลาช่อนเอาขี้เป็ดขี้ไก่มาเลี้ยงอย่างเนี้ยกินไม่ได้จนกว่าต้องแยกไปเลี้ยงเลี้ยงอาหารสะอาดก่อนเอเดีกจัลลาละนสัตว์ที่กินอาหารนจิสหรืออาหารนี้ไม่ฮัลโลนี่นะที่เนื้อกินได้เนี่ยถ้าเราจะกินเนี่ยก็ต้องแยกไปเลี้ยงอาหารสะอาดก่อนเช่นเดียวกันสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นสุนัขแมวอะไรแบบเนี้ยก็ต้องอาหารที่ฮัลโล แต่เรื่องการที่จะขอทหารนี่มันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับความถูกต้องไม่ถูกต้องนะมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องพาณิชย์มากกว่าเกี่ยวกับการตลาดถ้าเราอยากจะให้คนทั่วทั่วไปเนี่ยเชื่อในผลิตภัณฑ์ของเราเแล้ขขวก็ก็ควรที่จะขอฮหารเพราะถ้เราเขียนทหลารเองอนะมันก็ไม่ผิดกฎหมายนะถ้าเราให้ผมเขียนก็นได้นะเพราะงั้นเนี่ยทหารเขาเชื่อเขาเขียนให้นะแต่อาจจะขายไม่ได้ก็ได้ <c oughs> เ อ, อเขียนฮาลาเลงก็ฮาลาลหรือว่าผลิตภัณฑ์ของมุสลิมอะไรเงี้ยเออมันก็คนที่รู้จักเราไม่ไม่คนที่จะรู้จักเราอาเราเป็นมุสลิมมานะ่ยเาก็ซื้อแต่คนที่ไม่รู้จักละ่ะใครใครเป็นคนผลิตมุสลิมหรือไม่ไม่รู้เขาจะไม่ซื้อทเพราเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ของอาหารแมวอาหารสัตว์นี่ก็ปนเยอะนะเยอะเนื้อที่ไม่ฮาลาล ก็มีครับแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เ น, นี่ยนี่โซนเราเลี้ยงแมวเรื้ยงอะไรเราอยากกระเสื้ออาหารอาหารแมว่ต้องมีฮาลาลไหมถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีละ่ะก็พยายามเลือกสิ่งที่ไม่ต้องมีฮาลาลเช่นอาหารป่าอันนี้แต่ปลาและพืชปลาและพืชอย่างเดียวๆนะ่ะพอได้ไม่ต้องมีฮาลาลก็ได้ครับอืมตอนแรกว่าเราสสนอว่าทําดีเนี่ยระดีก็จะดีใจแล้วถ้าในทางกลับกันล่ะครับ ถ้าเราทำไม่ดีหรือว่าทำชั่วเนี่ยนบีจะเสียใจเลยเดี๋ยวว่าท่านนบีนะมันมีหลักฐานว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องเรานี่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราทําความเอไม่ใช่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วก็แยกญาติพี่น้องสมมุติว่าพ่อแม่เรานี่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็แล้วก็มีลูกหลานนที่เขายังไม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วคนที่รู้จักเราเนี่ยได้เสียชีวิตมาดเนี่ย และได้ถ e, ูกฝ si ังและอัลลอ์อนุญาตให้พ่อแม่เราที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้พูดคุยกับคนที่เพิ่งเสียเนี่ยแล้วเขาจะถามว่าเป็นไงลูกเราเป็นยังไงเขาบอกว่าออลูกเป็นยังงูนทำนู่นทำนั่นอะไรเลอะเทอะอะไรเงี้ยอ่าพ่อแม่จะเสียใจอันนี้มีมี h a d e, i มีตัวบท h a d i สาฮิยามีมีมี hadis ว่าท่านนบี รู้ว่าประชาชาติของท่านนี่จะทําดีหรือทําความช่วยแล้วท่านจะดีใจเสียใจนี่มี่แต่ผมไม่ได้ใจว่าเป็นคาที่ใส่หรือไม่แต่ขณะที่นบีจะรู้ว่าเราสละวะสลัมท่านนี้ก็น่าจะรู้เรื่องอื่นด้วยน่าจักนะไม่น่าจะห่างไกลจากความเป็นไปได้เราจะรู้ได้ย่งไรว่าสิ่งที่เราทำผิดว่าละเมิดขอรับชั้นอาลันี่เป็นบทลงโทษหรือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับเรา มไม่ความชั่วนี่มันเป็นลงโทษเสมอเราที่สามารถทำให้บทลงโทษนี่นะเป็นอุดทองสำหรับเราและจะเกิดประโยชน์แต่เสมอไปเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ละหมาดเราไม่ตื่นละหมาดซุบวันหนึ่งนั่นเป็นลงโทษแน่นอนรูปแบบของมันนี่คือการลงโทษและเราต้องมา อ, อย่างนั้นน่ะเราไปทำอะไรมาที่จะทำให้อลลอฮฺไม่อนุ ญ, ญาตยืนเข้าเฝ้าพราะองค์ คิดไปอย่างนั้นเลยไม่ได้ตื่นละหมาเที่มุ่นเล่เนี่ยเราเองไปทําอะไรมาที่ทำไม่ออนรอนนี่ไม่อนุญาตให้เรายืนละหมาดให้พระองค์มันเป็นลงโทษอย่างเดียวแต่เราจะทํายังไงให้บทลงโทษเดีว่วเราลงโทษเราเนี่นะมันเป็นอุต่าวถ้ากลายเป็นอุทาหารณ์แล้วก็ไม่เกิดซ้ําอีกครั้งนึ่งนะอ่ะแสดงว่าแสดงว่าลงการลงโทษครั้งนั้นนะ่ะเป็นประโยชน์สําหรับเราแต่ใครที่ทําให้มันเป็นประโยชน์ละ่ะตัวเราตัวเราเอง ไม่ใ่คนอื่นพ้นศุภูีในที่ทททต่ถ้าพนรมาไม่โดนคนลบ่าคื อ, อเป็นทำให้ตาย เ, เอาแน่นอนนอกจากว่าเขาเ ข, ข, ขาพน้นเขาพ้นแล้วไม่ตั้งใจไม่รู้ว่าเข้ามาสมมติวขเขาเขาเขาเขาเข้าใจแล้วว่าข้อางไม่มีคนเลยนะแต่บางคนก็นไปโดนคนเขาอาจจะถ้าเขาพยายามระวังอนนะบาปของเขาเนี่ยคือบาปสุภูรีอย่างเดียวถ้าเขาไม่ตั้งใจที่จะทำลายคน แต่ถ้าเขารู้เนี่ยคนคนข้างา ง, างแลวกับ้นนี่นะอันนี้แน่นอนแน่อ น, น, นอนบาปไปด้วยนะผู้หญิงที่ไม่คุมมีดยาบไม่ได้บาปแค่ไม่คุมมีดยาบนะไม่คุมมีดยาบแล้วก็มีคนเห็นเอารอของนางล่ะทุกคนที่เห็นเอารอของนางนี่ก็บาปไปด้วยและเธอนีมีส่วนบาปไปด้วยจะบอกว่าเออฉันไม่ตั้งใจให้คน มองเห็นเช่นนี้นก็มันเป็นไ ป, นปนไม่ได้ไงเพราส่วนมากที่ไม่คุมมียาแบบนี้เขา อ, อยากให้คนดูด้วยซ้ำนะครับอย่างนี้เป็นต้นทุกบาปที่คนอื่นมีส่วนร่วมในการรับผลระบาดของมันอันตรายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคนที่ทําบาปเนี่ยรับผิดชอบไปด้วยว่าจะไปเยี่ยมึกษาหรือว่าไปงานญาติของเพื่อที่เป็นผู้หญิ ง, อองหรือม่เข้ากลัวอะไรแบบนี้ได้ไหมเราควรให้ทําแนะนำให้เข กาแสดงออแสดงออกเขาไว้ใจเราไว้ใจเราที่จะชี้แนะเรื่องเรื่องนี้ก็ดีนะก็บอกเขาว่าแต่โดยหลักการนี่นะสําหรับสําหรับมุสลิ ม, มาเนี่ยสําหรับผู้หญิงอนะ่ะไม่ไม่ควรที่จะขึ้นกุบโบไม่ควรที่จะตามยานาซ่าอันนี้นสําหรับผู้หญิงที่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยให้ละหมาดอย่างเดียว หรือถ้าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยจะไปแสดงความเสียใจอันนี้ก็พอแล้วแสดงความเสียใจก็แสดงความเสีย ใ, ในสถานที่ที่แบบว่าเหมาะสําหรับเขาเนี่ยแต่ไปที่บ้านก็ได้เพราะจะเข้ามาสัสยิดแสดงความเสียใจมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะักก็อธิบายกับเขาว่ายานาซาเนี่ยส่วนมากนี่มันของมุสลิมเนี่เป็นพิธีกรรมแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสที่จะร่วมในพิธีกรรม แต่ละขั้นตอนมากนะักมุสลิมบางที่นี่ไม่ใช่บางที่บ้านเราส่วนมากนะแต่แบบว่าคนคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีลูกชายเป็นขา้าราชการหรือเป็นคนที่มีเพื่อนต่างศาสนิาเนี่ยเขาก็จะมีเก้าอี้มาตั้งไว้ให้ในกูโบรหรือนอกกูโบรหรือนอกมัสยิดนอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นจารีที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมที่มีพี่น้องต่างศาสนาเยอะ แต่บางอย่างนี่มันก็มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นเองเนี่นบางทีนี่พอมุสลิมพอต่างสาสนาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมามาก็คือมาแสดงความเสียใจใช่ไหมมามาม า, มานั่งก็มานั่งมีเก้าอีานะ้ขนาดมานั่งตรงนี้แต่นื่องจากเขามาบางทีมาเข้าชุมชนมุสลิมเนี่ยเขากข็าอยากจะรู้เอาเห็นกูโบสุสานเนี่ยเขาก็ขึ้นไปด้วยอะไรมันก็จะเกินเกิดความเลยเถิดบางเรื่องก็ควรที่จะแนะนําเขาโดยรวมมาแล้วอะพิธีกรรม ด้านการพิธีกรรมศพเนี่ยของมุสลิมเนี่ยมันผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทมากนักแต่การแสดงความเสียใจได้กับครอบครัวของเพื่อนที่เสียชีวิตนี่ก็แนะนำเขาได้ทำได้นเวลาของรอบบ้านโดยโดยที่ีวารอนะครับกาเงื่อไขอะไรบ้างอย่เช่นว่าเรื่องของเวลาเนี้ยอ่าก็ไม่ทันคือหรือว่าวรื่องันนี้แล้วพ่อเนี่ยแลสามีเนี่ย แ, แล้วนะ <c oughs> รู้รู้ว่า แต่ยังไงอะไรเ น, น, นี่อเนียแล้วนี่ก็โอเคแต่ก็มีเงื่อนไขหลักๆนี่นะก็สําหรับผู้หญิงทั่วไปนี่คือเรื่องปลอดภัยเรื่องปลอดภัยมันมีหฮดี้สูบทนหนึ่งท่านอบบีบอกว่าผู้หญิงที่ไปไปคือไปเปลี่ยนเสื้อผ้านอกบ้านของของนางนี่มันเลก้าจะสาบแช่งสาบแช่งเขาทั้งคืนนี่หมายถึงว่าผู้หญิงที่ไปไม่สํารวมตัวไงไปเปลี่ยนเสื้อผ้านอกบ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกัวรีของเขาพ่อ แม่ผู้ใหญ่หรือสามีของเขามันก็ไม่ไม่ควรไงที่จะทําแบบนี้ที่คนจะคนนอกบ้านจะไปเห็นเอารอแบบแบบง่ายๆแบบนี้ไม่ไม่ควรแต่ถ้าหากว่าได้รับอันเุีาตแล้วแล้วปลอดภัยแล้วที่นี่ก็จะไปในปลอดภัยแล้วมีคนดูแลนี่ก็ไม่มีเวลาจํากัดขอเนี้ยไปอยู่บ้านเพื่อนสามวันสมมุติเอาบ้านเพื่อนรู้ว่าบ้านเพื่อนเป็นใคร ยากิพี่น้องหรือเป็นเพื่อนฝูงที่รู้จักไว้ใจได้เพราะเนี่ยหรือสามีอเนี่ย ก, ก, ก, ก, ก็ถือว่าไม่บาปละนางเนี่ยไม่บาปละทำได้แต่ต้องอยู่อยู่ในบริเวณที่ไม่เดินทางไกลถ้าเดินทางไกลนี่ก็มีเงื่อนไขของมารมต้องมาเพิ่มอีกทีกว่าเราจะมีจระเด็ว่าการถ่า า, าเนี่ยมันตรงในสังคมปัจจันเนี่ยมันมีมวิธีไบ้างง่ายๆนะครับ ตอง่งายๆเพราะเรื่องนี้มันมันต้องเยอะนะง่งายๆสองเรื่องศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้มีเะมาหมาที่ดูลแลกันรักษาสองอย่างนี้ตลอดชีวิตเนี้นะรับประกันได้เลยศึกษาอย่างศึกษานี่ยหมายถึงเราศึกษาอะไรเข้าใจไหมศึกษาอะไรศา ส, สนากุรานฮะดีสเนี่ยเนี่ย มันสามารถที่จะปลูก إ ي م านที่จะสร้าง إ ม م านที่จะเพิ่ม إ ม م านตลอดเวลาศึกษาอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องปฏิบัติอะไรที่ช่วยปฏิบัติจะมาเพื่อนคนที่อยู่รอบรอบนี่ช่วยรวมถึงจะมาเนี่ยคือจะมาเฉพาะจะมาเฉพาะนี่จมาเฉพาะนี่ที่ต้องมีคือจะมาเฉพาะคือ ภรรยาต้องเลือกภรรยาที่จะช่วยสร้างอ ي มานเพิ่มอ ي มานไม่ใช่มัวจะไปหาคนสวยอย่างเดียวหรือผู้หญิงที่จะแต่งงานก็มัวจะไปหาคนหล่ออย่างเดียวความหล่อไม่เพิ่มี ي ม ا ن หรอกนนอันนี้ชัวร์ความสวยนี่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเงื่อนไ ข, ขของการเพิ่มพูนม ي م นอยางแน่นอ น, <S <S น <S <S เพื่อนใกล้ตัวเพื่อนเรียน <S <S เพื่อนในชุมชน <S <S เพื่อนในสถาบัน แล้วก็เพื่อนใกล้ตัวที่สุดนี่กันนี่ะภรรยาของเราที่เราจะเลือกให้มีเงื่อนไขเรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มเพิ่มอิมานเนี่นะก็ก็จะต้องหาจะมาที่จะช่วยเพิ่มอิมาแต่ถ้าเราไปเลือกเพื่อนเพื่อนเล่นเพื่อนเรียนเพื่อนชุมชนที่เขาไม่มีอิมานนะ่ก็แสดงว่าเป้าหมายที่เราอ้างว่าเราต้องการเพิ่มอิมานเนี่ยมั น, มนเราไม่สัาจริงกับมันเราไม่จริงใจกับมันตอนตอนท้ายครับ ในเรื่องขอควาสมสามารถของเวลาและสําหรับคนร้บนวบรรดาพุทธกาลเนว่าอัลลอฮ์ให้เวลากับพวกเขาไม่เท่ากันมะไรพวกเขาไม่ได้มีเวลาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยถ้าอัลลอฮ์ให้เวลาไม่เท่ากันแต่อัลลอฮ์จะให้ปัจจัยอื่นที่จะสร้างความสมดุลอย่างแน่นอนอย่างแน่ น, น อ, อนเราเอามาจากไหนเอามาจากว่ า, าอัลลอฮ์ س ب ح น ن ه และเทําใครเลยแน่นอน เหมือนที่เราอัลลอฮ์ให้คนหนึ่งอาไว้สมบูรณ์คนหนึ่งพิการคิดว่าไอ้คนนี้ละหมาดเอาไวสมบูรณ์และลหมาดและคนพิการละหมาดนี่น้อัลลอฮ์นีผละบุญเท่ากันนหะไม่เท่ากันแน่นอนอัลลอฮ์ให้คนคนที่อัลลอฮ์ทดสอบให้คนเป็นพิการนี่นะได้ผลบุญมากกว่าคนเอาไวสมบูรณ์แน่นอนแน่นอนเช่นเดียวกันให้คนนี้อายุเท่านี้คนนี้อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าก็จะต้องอัลลอฮ์ต้องให้คนที่อายุน้อยกว่าเนี่อาจจะให้ปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ที่จะทำให้เข้าเนี่ยสามารถแต่เขาอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยโอกาสก็ได้นะครับแต่สําหรับอัลลอฮ์นี่ที่จะให้แต่ละคนนี่นะต้องเสมอภาคกับทุกคนการสะสมของเราการขนขวายของเราตังหกักที่จะเป็นตัวชี้วัดแต่ปัจจัยเครื่องมือที่อัลลอฮ์ให้ทุกคนนี่นะอันนี้มีมีความเสมอสําหรับน้องค่ายนี่อย่าเพิ่งไปไหนนะขอสลามทุกคนนะเพราะไม่ได้มีโอกาสสลามกับทุกคน صلى ا أو معناك؟ صلى الله عليه و ص آ ب ه و س ل م سبحانك اللهم بحمدك شهد ولا إ ل ه ا ن س ف ر كتب إليك السلام عليكم و رحمت الله